พระคาวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังคัจฉามิ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 สระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมัง สระังคฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคฉามิตติยัมปิสังขังสาระนังคฉามิติสระนคัมนณังนิธิตังอามะพันเตพุทโธธรรมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพครับนมัสการหมู่สอ์ เจริญธรรมศิขามาตและญาติโยมผู้สนใจในวิถีอาิยธรรมทุกชีวิตวันนี้พ่อครูจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโลกุตระ46จากพระไตรปิฎกเล่มที่31ข้อ620โดยที่เป็นการนำเสนอต่อเนื่องจากที่เคยนำเสนอมาแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาพ่อครูได้อถาธิบายธรรมะที่บ้านราษเมืองเรือเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการทําความเข้าใจในเรื่องอัตตาอย่างสําคัญทีเดียวบางท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสติดตามฟังห้องเรียนสรรค่าสร้างคนห้องเรียนความรักสิบมิติห้องเรียนพุทธชีวศิลป์คือหมายความว่าจริงๆก็คือเป็นรายวิชา ที่พ่อครูพยายามที่จะสอนให้กับบรรดานิสิตมหาวิชารามมหาวิชารามเนี่ยเทียบกับคำว่าอุดมศึกษาซึ่งที่พวกเร า, เ, าเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปข้างนอกแต่ข้างในเรียกมหาวิชารามมีประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะขอนา ม, มาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้ากับความอยากใหญ่ หรือความ ม, ากมากักๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพ่อครูอธาธิบายเทียบกรณีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานเจกรณีการปิดไม่ปิดถนนแล้วนำมาเป็นกรณีศึกษาให้พวกเราได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของอัตตาพ่อครูบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยให้เกิดความก้าวหน้าเนี่ยมันดีแต่ถ้าอยากใหญ่เนี่ย ไม่ดีความอยากใหญ่กับความก้าวหน้าเนี่ยเป็นคนละอย่างกันโดยพ่อครูพยายามอธิบายว่าในที่สุดมีคําอยู่คาหนึ่งซึ่งอาจมาอยากจะขอนำมาเผื่อแผ่แบ่งปันกับท่านทั้งหลายรู้สึกจะเป็นคําที่พ่อครูจะพูดชัดหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นคําพูดที่ค่อนข้างจะแรงะนแต่อาจายมาเห็นว่าเป็นคําพูดที่ชัดพ่อครูบอกว่าเราไม่อยากได้วัตถุแล้ว แต่เราอยากให้เขาว่าเราดีให้ได้อวดว่าเราทำดีเพราะครูได้อาธิบายว่าพวกเราหลายคนไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีสมบัติวัตถุแต่ทีนี้ติดสมบัติอะไรที่หอบยึดไว้ที่ยึดหอบไว้เราไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีสมบัติวัตถุแต่ทีนี้ติดสมบัติอะไรที่ยึดหอบไว้ก็สมบัติบ้าไงสมบัติบ้า เราติดสมบัติบ้าอันนี้คือคำพูดของพ่อครูเราอยากจะทราบไหมว่าสมบัติบ้านี้คืออะไรพ่อครูอ ธ, ธิบายว่าสมบัติบ้านี้ก็คือยึดไงยึดจังนะยึดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะพ่อครูบอกว่าจริงๆคุณจะออกความเห็นคุณก็ออกความเห็นไปเถอะคุณแสดงความเห็นควรใดๆคุณก็แสดงความเห็นควรเหล่านั้นไปเถอะแต่อย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเรา เขาไม่เอาตามกูกูก็โกรธเพราะครูบอกว่าถ้าเชนนั้นกูก็โง่ต่อไปหรือ <c oughs> จริงจบอกว่าถ้าเขาไม่เอาตามกูกูก็โกรธขอโทษพราะครูบอกว่าคุณก็โง่ต่อไปคำว่ากูก็โกรธเนี่ยเป็นคำพูดตอนแรกแต่ส่วนตอนท้ายเพราะครูบอกว่าคุณก็โง่ต่อไปคือเรื่องของเรื่องคือมีกรณีความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องงานเจเนี่ย มีคนให้ความนิยมคนสนใจเยอะมากก็ถึงขั้นมีความคิดมีความดำริว่าจะต้องปิดถนนฝ่ายเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการปิดถนนก็มีฝ่ายไม่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องการปิดถนนก็มี ก, ก็ถกแถลงในที่สุดก็มีการโหวตมีอะไระอะไรกันนะเรื่องนั้นผ่านไปแล้วแต่ขออนุญาตนำมาเป็นกรณีศึกษาพาอครูได้อาาธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า จริงๆเราต้องประมาณตัวเองนะเราเนี่ยเป็นอสูไม่ได้รับความยอมรับเท่าไหร่นักหรอกนคนต้านคนไม่ชอบคนไม่เห็นดีเห็นด้วยกับเราก็มีและมีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าเราไปทำอะไรเนี่ยในลักษณะมกักมากอยากใหญ่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีแก่คนอื่นเราประมาณตัวเองให้น้อยไว้ก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะคระูได้สั่งสอนประมาณนี้ นะก็โดยเฉพาะถ้อยคำที่นำมากล่าวนำอดามาคัดมาจากนะข้อความที่ปัจฉาส่งมาเป็นอีเมลที่บอกว่าพวกเราหลายคนไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีสมบัติวัตถุแต่ทีนี้ติดสมบัติอะไรที่ยึดหอบไว้ก็สมบัติบ้างไงคือยึดจังนะยึดว่าต้องเป็นอย่างนั้นยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้คุณออกความเห็นแสดงความเห็นควรอะไรก็แสดง แต่อย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเขาไม่เอาตามกูกูก็โกรธคุณก็โง่ต่อไปอาดมานำมาเขียนเป็นบทกวีจากถ้อยคำของพ่อครูดังต่อไปนี้ว่าแต่แต่ขออนุญาตปรารพบตรงนิดนึงพ่อครูใช้คำพูดว่าไม่มีลูกไม่มีผัวเนี่ยในกรณีเช่นนี้หมายถึงผู้หญิงอย่างเดียวหรือยอย่างไรอ่ะลเอียงลําเอียงจริง เราหลายคนไม่มีลูกไม่มีผัวแต่จริงๆเฉพาะคําว่าไม่มีผัวเนี่ยก็คลุมถึงการไม่มีลูกไปด้วยโดยปริยายนะแต่ถ้าหลายคนไม่มีเมียไม่มีผัวนี่ก็คนเดียวนี้ไม่มีผัวนะแต่มีลูกได้เพราะอุ้มบุญไงอุ้มบุญโออันนี้ชัดเจนนะเดี๋ยวนี้มันฉลาดแกมโกงขึ้นขนาดไม่มีผัวมันยังมีลูกได้เลยเพราะมันอุ้มบุญอ้าวออย่างนั้นคําพูดของพ่อครูครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะเราหลายคน ไม่มีลูกไม่มีผัวสมบัติวัตุส่วนตัวก็ตัดได้มีสมบัติชนิดหนึ่งติดตรึงใจสมบัติบ้านั่นยังไงยึดไม่วางเราหลายคนไม่มีลูกไม่มีผัวสมบัติวัตุส่วนตัวก็ตัดได้มีสมบัติชนิดหนึ่งติดตรึงใจสมบัติบ้านั่นยังไงยึดไม่วาง ยึดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ออกความเห็นเถอะไม่มีใครขัดขวางยึดความเห็นเป็นของกูไม่รู้กลางนั่นและสร้างสมบัติบ้าเข็นฆ่าตนอันนี้จากการฟังจริงๆไม่ใช่ฟังเราอ่านอ่านคำของพ่อครูเกี่ยวกับเรื่องสมบัติบ้าแล้วก็เห็นว่าจริงๆ ต่อให้พ่อครูตำหนิติเตียนใครก็แล้วแต่เถอะจริงๆก็คือตำหนิติเตียนเราละแหละเราแม้ว่าเราจะอยู่ในเพศที่ไม่มีลูกไม่มีผัวก็จริงนะนะแต่การยึดสมบัติบ้าเนี่ยไม่ไม่เข้าใครออกใครอะ่ะมันไม่เข้าผู้หญิงผู้ชายไม่เข้าแม้กระทั่งสมณะหรือคราวะญาติโยมถ้ายึดสิอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นสมบัติบ้าเหมือนกันหมดเพราะนั้นก็เลยนำคาของพ่อครูเนี่ยมาตรหนัก ามาตำหนิหรือมาตรวจสอบตนเองว่าเราเนี่ยยังมีลักษณะของการยึดสมบัติบ้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนหลายคนเนี่ยบางทีไปคิดว่าความก้าวหน้าเนี่ยคือการทำอะไรให้ใหญ่ขึ้นให้มากขึ้นให้เยอะขึ้นแต่จริงๆเพราะครูบอกว่าความก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่การทำอะไรให้ใหญ่ขึ้นให้เยอะขึ้นให้มากขึ้นแต่คือการทาให้ดีขึ้น การทําให้ดีขึ้นแม้บางทีบางครั้งจะไปช้าไปน้อยไม่ไปมากไม่ได้เยอะกระทั่งพ่อครูมีสโลกทำที่พวกเราติดหูกันไงเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากไม่ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้างอันนี้เป็นถ้อยคําที่พวกเราตระหนักแต่บางทีอาจจะยังไม่ซึ้งเท่าไหร่นักมีถ้อยคําที่พ่อครูสอนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่า คำในทางพระพุทธศาสนาที่คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะกลายเป็นลือีแปลงสามกันไปแล้วอะ่ะก็คือคำว่าบุญคำว่ากายาคำว่าบุญกับคำว่ากายสองคำเนี่ยเวลาเรานำมาสอนธรรมะเนี่ยผู้สอนธรรมะก็กลายเป็นลือีแปลงสารคือหมายความว่าอธิบายความหมายคำว่าบุญเนี่ยเป็นเรื่องแค่ดีแค่ได้พระครูอธิบายว่าจริงๆเนี่ย บุญไม่ใช่แค่ดีบุญไม่ใช่เป็นเรื่องของการได้มาแต่จริงๆบุญเนี่ยเป็นเรื่องของการสละออกได้บุญเนี่ยอันนี้เป็นวัคทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคือคำสอนพ่อครูที่บอกว่าได้บุญเนี่ยจริงๆก็คือได้กว่าไม่ได้มีบุญเนี่ยแปลว่าจริงๆก็คือมีกว่าไม่มีอันนี้โยมเอาไปเป็นวัคทองประจำชีวิตแต่ละบ้านแต่ละคนเลยก็ได้ เป็นคาของพ่อครูที่บอกว่าได้บุญคือได้กว่าไม่ได้มีบุญคือมีกว่าไม่มีอันนี้ชัดเจนขึ้นเนาะได้บุญคือได้กว่าไม่ได้มีบุญก็คือมีกว่าไม่มีแล้วก็คนนำคาในทางพุทธศาสนาไปเป็นลือีแปลงสารอีกหลายคำเช่นคาว่ากรรมะกรร ม, มารามตาแต่ว่าความยินดีในงานเนี่ย ก็ไปเข้าใจว่าจริงๆก็จะต้องไม่ยินดีในงานไม่ได้เกียรติคราเอ่อมุ่งไปสู่ความเกียรติคร้านหรือแม้ที่สุดความขวนกวายน้อยเป็นต้นซึ่งเข้าใจผิดจริงๆพ่อครูบอกว่าคำว่ากรรมารามตาหมายความว่ามีกิเลสมีอารมณ์ฟูใจติดยึดในงานและผลของงานอันนั้นเป็นกิเลสแต่ไม่ได้สอนให้ขวนกวายน้อย ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธงานโดยเฉพาะงานที่เป็นกุศลงานสร้างสรรค์แม้ที่สุดคําว่าอาสังสักขะอสังคณิกะที่แปล ก, กันว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยหมูนะ่เนี่ยก็เป็นลักษณะของฤาษีแปลงสารเช่นเดียวกันคําว่าฤาษีแปลงสารเนี่ยจะมาใช้เองนะเพราะครูไม่ได้ใช้ในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าออมีอยู่ประเด็นหนึ่งเพราะครูให้ความรู้แก่นักบวชเกี่ยวกับเรื่องการรับใช้ครือข่า หลายคนเนี่ยมาบวชเนี่ยไปเข้าใจว่าการไปทํางานรับใช้ครือขัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องผิดซึ่งก็แน่นอนในพระวินัยก็ห้ามนักบวตรับใช้ครือขัดแต่พ่อครูอธิบายในยะของธรรมะว่าการรับใช้ครือขัดเนี่ยกับการทํางานเสียสละที่ควรทําในฐานะนักบวชเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคือถ้าเราทํางานแลกลาบยศสรรเสริญมาเพื่อตอนแลกกรรมแลกอัตามมาเพื่อตอนเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นการรับใช้แต่ถ้าเราทำงานแล้วเราไม่เอาสิ่งแรกเปลี่ยนใดๆนะไม่รับลาบยศสรรเสริญไม่รับการมไม่สนองการมไม่สนองอัตตาตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นการรับใช้แต่ประการใดเป็นการพ้นลาเพณลาพังนิชิกิงสนตตาครับผมเป็นการพ้นการลาบแลกลาบ ไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนเลยนี่คือไม่ได้รับใช้ไม่ได้รับใช้ถ้าเอาอะไรแลกเปลี่ยนแม้แต่ความยกยินดีแม้แต่ความโหยหาสิ่งที่เราทําดีอะไรพวกนี้ยังยังรับใช้อยู่ทั้งนั้นยิ่งไปรับเงินรับทองรับข้าวรับของรับออกเกียริเอายศอะไรมาเนี่ยโอ้โหรับใช้ทั้งนั้นนะก็ถ้ายังกรรมารมตาอยู่นี่ก็ยังรับใช้อยู่รับใช้เพราะพ่อภัยเอาให้ลึกเลยนะวันนี้ ขออภัยท่านเจ้าคุณท่านสมเด็จท่านอะไรอะไรต่าง ๆ, างๆนานาวันนี้ขออภัยนี่พูดธรรมะนะมไม่ได้ไปโขกหน้าใครท่านไปรับยศรับตําแหน่งอยู่ น, น, นาลับใช้รับใช้คารวะรับใช้คฤหัตอยู่ทั้งสินน้นต้องไม่เอาตําแหน่งหน้าที่ยศศักดิ์นั่นจึงจะเก็นเป็นการทํางานไม่รับใช้คารวะ ไม่เช่นนั้นก็จะไปยึดอยู่กับตาแหน่งแล้วก็ไปติดอยู่กับตำหนักนนแล้วมีพฤติกรรมที่น่าตำหนิต่างๆนั้นน ะ, ะก็ชัดเจนะนะฮ ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อครูได้อา ธ, าธิบายหลายๆประเด็นเป็นอะไรใหม่ๆที่ถ้าฟังธรรมะพ่อครูเนี่ยเก็บเพชรมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบคำอธิบายใหม่ๆที่พวกเราอาจจะฟังไปแล้วแล้วผ่านๆไปไม่ได้ตรหนักหรือไม่ได้อะไร อ, อะไรก็แล้วแต่ ก็นำมาถ่ายทอดเพื่อแร่แบ่งปันเพราะฉะนั้นบุญจึงมิใช่แค่ดีกายจึงมิใช่แค่ร่างอันนี้คือคำอธิบายที่พ่อครูเน้นย้าซ้ำแล้วซ้ำอีกบุญจึงมิใช่แค่ดีกายจึงมิใช่แค่ร่างแม้ที่สุดถ้อยคำที่พ่อครูเทศเมื่อหลายเดือนก่อนขณะที่ไปชุมนุมบอกว่าคนเราที่ตายแล้วเนี่ยนะ ร่างเหลือแต่ร่างกายไม่มีอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนคนเราที่ตายไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ร่างกายไม่มีเพรา ะ, ะนั้นผมก็เก็บประเด็นมาเล็กน้อยนะจริงจริงพ่อครูได้อาถรรพไม่เล็ก<ป>น้อยแล้วนะพูดไปอีกหลายชาติครับผมเอธิบายได้อีกหลายชาติที่คุณพูดไปนะครับผม กขอกราบนิมนต์พ่อครูครับเอ า, กการตรงลองเอาคำต่อจากคุณว่าคำว่ากายนี่ต่อนิดหน่อย <ผม S 2> คำว่ากายนี่น่ที่บอกว่าตายแล้วเนี่กายไม่มีเหลือแต่ร่างครับผมคำว่ากายนี่เป็นพฤติกรรมของการประชุมองค์ประชุมเพราะนเมื่อตายลงวิญญาณฤจิตหรือมโนหรือธาตุรูของมนุษย์เนี่ยมันก็ออกจากร่าง มันก็พลากกันจากร่างเพราะร่างกับร่างกับจิตปัญญาร่างกามโนร่างกฐารู้เนี่ยมันไม่ร่วมกันแล้วมันไม่อยู่ร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากายก็หายไปกายแปลว่าองค์ประชุมของรูปแระนามองค์ประชุมของสิ่งสองสิ่งเพราะเมื่อสิ่งสองสิ่งนี้มันแยกกันเด็ดขาดแล้วมันไม่ประชุมกันแล้วมันก็ไม่มีกายของรูปเรนนามของคนคนนี้กายและ ของรูปและนามของคนคนนี้ไม่เกิดอีกแล้วนอกจากมันจะฟื้นมันฟื้นมันมารวมอีกทีนึงก็ช่วยไม่ได้อาตมาก็ต้องยกไว้ว่าไหนบอกว่าตายแล้วกลับมาหากันใหม่ทำไมก็เองกลับมาหากันใหม่มหาร่างอย่างเก่าอีกมันก็ฟื้นสิมันก็ไม่ต้องมารวมกันใหม่ก็มีกายใหม่เพราะถ้ามันไปแล้วไม่กลับรับลาเลยกายหายไปเลย ฟังให้ออกนะว่ากายคืออะไรคําว่ากายคําเดียวนี่แหละมันคำคำนี้เขาเข้าใจไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยแต่แต่กายสังขารไม่ต้องไปพูดถึงกายวิญญาณเลยเนยากยิ่งกายสังขารกายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะ่าที่มีคําว่ากายนี่เจอะเลยนะ่ากายสังขารกายกาลัลลิแปลว่ากิเลสองค์ประชุมวงกิเลสนะ่ากายกรรมนิยะ กายกรรมปัญญาคือกายกระทําการงานด้วยปัญญาของตอนเองและทําอยู่นี่เป็นองค์ประชุมการงานที่กําลังทำในวกรรมปัญญาเพราะถ้าพระพดมีอัญญามาร่วมประกอบในการทํางานด้วยมันก็จะทํางานได้ดีเพราะมีปัญญามาร่วมมีอัญญามาร่วมแต่ถ้าไม่มีอัญญามาร่วมมันก็ทํางานด้วยกิเลสมาร่วมนะเพราะคนใดที่ทํางานด้วยปัญญาด้วยอัญญาซึ่งเป็นอัญญาเลยเป็นปัญญาในระดับ คุณสมบัติชั้นสูงเลยอัญญาเนี่เป็นปัญญาโลกุตระอัญญาเนี่ยเป็นปัญญาโลกุตระเป็นความรู้ระดับโลกุตระเช่นโกนทัญญะเริ่มต้นในโลกเลยเป็นคนแรกที่เกิดอัญญาโลกุตระเนี่ยอัญญากัญญาโกนทัญญาเนี่ยเป็นคนแรกเลยในโลกที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาปุ๊บนะก็เริ่มมาพูดกับคนห้าคนก่อน พอเริ่มพูดกับคนห้าคนในห้าคนมีคนเดียวเท่านั้นเเกิดอัญญาคือโกฏิัญญาเกิดอัญญานอกนั้นยังอับปัญญาหรืออับอัญญาอยู่เลยอับปัญญาอับอัญญาอีกสี่องค์อีกสี่รูปของปัจจัคียังมืดตื่อยอยู่เลยไม่เกิดอัญญามีโกฏิัญญาองค์เดียวเกิดอัญญาพระพุทธเจ้าก็อุทาว่าโอ้อัญญาซิวัโพโกฏัญโโอโกฏัญโ เกิดอัญญาแล้วหนอเกิดอัญญาแล้วหนอเกิดอัญญาเกิดตัวความรู้ธาตุรู้นี่รู้อะไรรู้โลกุตระรู้ธรรมะพระพุทธเจา้ารู้วิชาพระพุทธเจา้านี่เป็นคนแรกน่ะยี่ี้เป็นต้นเพราะคำว่าอัญญาจะเป็นความรู้ชนิดของพระพุทธเจ้าโดยตรงอัญญาเพราะคนทั้งหลายแหล่นี่อนัญญาหรือว่า ไม่มีไม่มีความรู้อัญญาขึ้นมาได้เอาทีนี้มาต่อเลยอัตามาจะไขความวันนี้ก็คือจะไขความเรื่องอัญญานี่แหละเรื่องความรู้โลกุตระนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ในพระเตปปิโดเล่ม10เล่ม31ข้อหกริท่านตรัสว่าธรรมะเหล่าไหนเป็นโลกุตระธรรมะเหล่าไหนเป็นโลกุตระ ธรรมะเหล่าที่เป็นโลกุตตราก็คือสติปัฏฐานสี่สมปธานสีอิทธิบาทสีอินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมรรคองแปดอริอริยมรรคสี่สามันผลสีและนิพพานธรรมรวมกันแล้วเป็น46สติปัฏฐานสี่สมปธานสี อธิบายซ4สิบสองละอินซี5พะ5ละห้าหยบสองละพอชอง7มักองค์8อีก15บวกเข้าไปเป็น37 37. 37บามวกมักอีก4 1สิบเอ็ดบวกผลอีก4 45. 45บวกนิพพานอีกหนึ่ง46่บ <46. S 1> นี่คือโลกุตรธรรม เพราะฉะนั้นโลกุณรธรรมคืออะไรโลกุณรธรรมเริ่มต้นอันแรกคือสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานสี่มีอะไรขึ้นต้นกายในกายเน้าเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่ากายทิ้งทายเอาไว้มาจับคำว่ากายเข้าไปเลยฟังดีๆแลว้วันนี้อาตมาจะวิจัยให้โอ้ถ้าฟังไม่ดีหูหักนะ อ่าแต่ฟังไม่ดีในหูจะหักเพราะงั้นฟังดีๆวันเนี้ยนะมันจะละเอียดสุขุมคำภีราทุตสาตุระนุโพธาสั้นตาปณิตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตาเวทนิยาถ้าใครไม่แน่ใจว่าเป็นบัณฑิตถอยถอยไปห่างๆถ้าใครแน่ใจว่าตัวเองเป็นบัณฑิตเซิรนเซิรนอ่าจุ่มคาม่าจุ่มคาม่าเซิรนอน่าจุ่มคาม่าจุ่มคาม่า หมายคำว่าเชิญทีเดียวรวมกันเข้ามาจุ่มนี่หมายคำว่าเอาหัวจิ้มกันเข้ามาจุ่มนี่หมายคำว่าเอาหัวรุมเงินเข้ามาเลยเคยเห็นไหมล่ะคนมันเอาหัวรุมเงินเข้ามาชนกันเลยเนี่ยจุ่มเลยสมหัวหรือเปล่าครับสมนั่นแหละครับผมสมนั่นแหละจุ่มกันเข้ามาเลยสมหัวเข้ามาให้มันชิดเลยจุ่มกันเข้ามานะพระคําว่ากายคําแรกเลยนะ ตั้งหลักดีๆนะอาตมาจะขยายความไปถึงหลักปฏิบัติธรรมของพระุทธเจ้านี่มีมรรคองแปดสมาธิสัมมาสับัตญะสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะสมาวายามาสมาสติสมาสมาธิและพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ชัดว่าสมาธิของท่านนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิ เพราะการจะได้สมาธิก็คือทําจิตให้มันเป็นเอกกัคคตาจิตให้จิตเป็นองค์สําคัญเขาไปแปลแต่ว่าเอกการเนี่ยแปลว่าหนึ่งฟังแล้วมันก็นึงน่งหนึ่งหนึ่งอยู่นั่นน่ะมันน่าจะแปลว่าเอกกัคคตาเนี่ยอัคคะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหนึ่งไปแปลแต่เอกะกแปลว่าหนึ่งก็แปลกัคะอัคคะมึงเด้อัคคะแปลว่าจิงใหญ่มันแปลว่าเลิอดนะเลิอดล้น วิเศษวิเศษโศเลยอักขะเพราะจิตที่อัคขะตัวนี้แหละ เ, เอกาเนี่ยมาแปลว่าส่วนตนโดยตนเองของตนเองหนึ่งเดียวฉันเองคนเดียวของฉันเฉพาะฉันนี่แหละเอกะไม่มีสองไม่มีสหายสองหนึ่งฉันอันเดียวเลยคนเดียวเดียวเดียวเดียวเดียวเอกะเนี่ยเพราะนั้นฉันจะทำความเลิศอักขะอันนี้เอกาะอันนี้ ให้มันดําเนินไปคตตาคติคตะให้มันเกิดขึ้นให้มันดําเนินไปให้มีบทบาทขึ้นทําจิตให้มีบทบาทของความเป็นเลิศเป็นยอดอได้นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะของส่วนตัวของเราเอกะขะตานะว่าคุณจะได้จิตเอกะขะตาตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาให้ปฏิบัติอย่างนี้สิปฏิบัติมักเจองค์ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติให้ได้สมาธิเกิดเอกะขะตานั้นไปนั่งหลับตา ไม่มีคําสอนพระเจ้าไม่มีในพระตรรมปิฎกของเทราวาสสี่สิบห้าเล่มสี่่ไใช่มี่พันหรือสี่เจ็ดสี่สิบห้าเล่มครับสี่ม่เราไปแถมมามจากใ น, นอีกสองเล่มครับผมสี่พันเล่นมนี่ยไม่มีครับผมสอนว่าไอเ อ, เอกคตาจะไปเกิดที่จากนั่งสมาธินั่งหลับตานี่ไม่มีมีแต่สอนว่าจะเกิดได้เพราะปฏิบัติมรรคเจ็ดองในมหาจัตตารีสกสูตรพระตรรมปิฎกเล่มสิบสี่ ข้อ500อข้อ252ถึง281 น, นี้อันตมาจำแม่นมากคำของพ่อครูนี่ไปสอดคล้องกับคำพูดของสัสตว์รารย์ด็อกเตอร์ที่ไปพูดที่มุมไบในกลุ่มการประชุมพุทธระดับโลกเลยทีเดียวว่าในพระตรบีิดกเทราวาสไม่มีคำว่านั่งหลับตาทำสมาธิไม่มีครับผมมีแต่ของอัตกระถาอัตกระถ า, าแล้วก็เยอะแยะ พูดไปเพราะอัตถกาถาที่เข้าใจแค่นั้นก็ยืนยันแค่นั้นแต่ของพระเจ้าไม่ใช่โดยเฉพาะความรู้ของอัตมานเนี่ยการนั่งหลับตาสมาธินั้นมันมีประจำโลกาศาสนาพุทธหมดไปแล้วมันก็มีนั่งหลับตาสมาธิเพราะนันท่านจะไปตีหลับตาสมาธินีตีไม่ได้ตีทิ้งไม่ได้เพราะเขาต้องใช้เป็นบาดฐานบาดฐานของจิตเลยเป็นของโลก ถ้าเราเข้าใจมีปัญญาเราก็เอามาใช้เป็นอุปการะพระรูปเจ้าจึงใช้อุ ป, อปการะไม่ตีทิง้งอัตมาก็ว่าว่าไม่ได้อัตมาอัตมาก็ไม่ได้ตีทิง้งแต่คนเข้าใจผิดอัตมาเป็นแต่เพียงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของพระเจ้าคุณจะทําก็ทำที่ทําให้มันสมาธิถี่แล้วก็เอามาใช้ใมันไดถ้ถูกทางแต่ถ้าเอามาใช่ผิดทางมันก็ผิดเลยทีก็ทำความเข้าใจให้ดีว่าเอาถูกคืออะไรเอามาใช้ยังไงนะซึ่งอธิบายไปหมดแล้ว นั่งสมาธิจะได้ประโยชน์หนึ่งพักสงบสบายนะสศึกษาคุณศึกษาในภพนั่นแหละในข้างในเวลานั่งอยู่ในภพคุณก็ศึกษาจิตมันก็ฟุ้งไปกิเลสทั้ง้นงนี้มันจะง่วงไปมันจะอะไรไปมันจะไปหากามหาพยาบาทมันจะฟุ้งไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาอะไรวิมานอะไรสารพัดสารเพหรือมันจะจมดิ่งๆิดีลงไปในเรื่องดับดับดับับง่วงงุนลงไปคุณก็อ่านมันให้ชัดเจนอย่าให้มันสงสัยเงาขลังเล่ให้มันชัดหมด นั่นคือนิวรณ์หเมื่อผู้ใดที่เข้าใจแล้วว่าเอกขัตตาจิตคือลักษณะไม่มีนิวรณ์หสรุปขอสรุปไว้ตรงนี้เท่านี้จิตที่ปราศจากนิวรณ์หานั้นเมื่ออาการนั้นไม่มีในจิตแสดงว่าคุณมีจิตเป็นเอกคตตาชนิดหนึ่งแต่เอกขตตาที่คุณนั่งหลับตาก็ได้นะอีกแหละมันซ้อนอีกแหละคุณทำให้ไม่มีในช่วงขณะนั้นคุณทาได้ ในขณะนั้นทุกคนไม่มีมันไม่มีอาการมไม่มีอาการการพยาบาทไม่มีจริงๆโล่งว่างสบายอาคุณก็ทําได้ก็เป็นสัญญากําหนดว่าไม่มีกิเลสนะอันนี้ก็ในสัตว์วัต๙หรือวิญญาณทิฏฐิเในข้อที่สองทำฌานนี่เป็นฌานหนึ่งถ้าไม่ไม่มีนิวรณ์หได้คุณนั่งหลับตางูทําได้แต่ของพุทธนลืมตาทําได้โดยไม่มีนิวรณ์ห้าลืมตา อันนี้แหละลืมตาที่นี้ลืมตาจะได้ยังไงก็ปฏิบัติมากเจ็ดองไงและปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติสังกปาวาจากรรมันตะอจิวะไงนี่คือกรรมกิริยาทั้งสสังกปะก็คูกคิดอยู่ตอนนี้ลืมตาอยู่เนี่ยพูดอยู่แล้วก็ลืมตาอาตมา ก, กำลังพูดนี่อาตมาไม่ได้หลับตานะอาตมามีสมาธินะอาตมามีสมาธิด้วยอาตมามีนิโรธในขณะพูดนี้ด้วยเอา้าโอโหตรีมนุสธรรมใหญ่เลยโพธิรัก นะจิตไม่มีกิเลสพูดขณะนี้ไม่มีจริงๆนะไม่มีเนี่ยอาตมาอ่านจิตของอาตมาพูดเองอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีกิเลสไม่มีเลยเล็กๆนอก้อยๆเศษอะไรก็ไม่มีนะในขณะกระทําทุกอย่างกรรมมันตะกายกรรมวิจิกรรมนกรรมกรรมทุกอย่างเรียกว่ากรรมมันตะกรรมเป็นที่สุดกรรมทั้งหลายหมดไม่มีขีดคั้นในกรรมทั้งหลายแล้วกรรมทุกอย่างเรียกว่ากรรมมันตะก็ไม่มีกิเลส แม้ทํางานอาชีพอจะทํางานอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพแหละที่กําลังทํางานเลี้ยงชีพอยู่คุณก็ไม่มีกิเลสนะคุณก็ไม่มีกิเลสแต่ไม่ใช่บอกว่าฉันกําลังจะโกงในฉันก็ไม่มีกิเลสนะไอ้กิเลสไอ้โกงน่ะมีกิเลสแล้วแล้วมาพูดว่าภาษาพูดทั้งคุณว่าไม่มีกิเลสก็ไอ้โกงน่ะอะไรละ่ะ มันคือสุจริตเลยมันคือตัวเดียตัวชั่วใช่ไหมแล้วมันไม่เรียกวิกิเลสตัวชั่วอันั้นแหะมันเขาเรียกว่ากายกคค리แปลว่าองค์ประชุมในจิตของคุณมันมีเอกคลิตัวนี้ตัวกาลีตัวนี้อกคลิเนี่ยกาลีตัวนี้ไอ้ตัวเลวร้ายตัวนี้มันรวมประชุมกายกคค리มันรวมประชุมอยู่กับจิตคุณนะคุณไม่รู้จักตัวเนี้นะแล้วคุณก็บอกว่ามันไม่มีด้วยปาก แต่จริงๆมันมีทำทุจริตกรรมหรือมีทุจริต เ, เป็นทุจริตเป็นอคุ โ, โลจิตแม่เล็กแม่น้อยมันก็มีทั้งนั้นะนะสรุปแล้วคำว่ากายนี่ท่านเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกคือกายในกายเป็นข้อแรกของโพธิปักยธรรมสาเใช่ไหมเมื่อเริ่มต้นมีข้อแรกเลยกายท่านบอกให้ สติประธานท่า น, นให้พิจารณากายในแต่รู้กายนอกว่ากายนอกคุณอย่าทิ้งนะดินก็ไม่ทิ้งน้ำก็ไม่ทิ้งไฟก็ไม่ทิ้งลมก็ไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นคุณหลับตาสมาธิทำสมาธิทำอนาปานสติคุณอย่าทิ้งกายแม้เหลือลมอีกนิดเท่าไรคุณก็อย่าทิ้ง ท่านไม่ได้ให้ทิ้งกายนะท่านรู้ความเป็นกายต้องมีความเป็นกายถ้าขาดความเป็นกายขาดควาองค์ประชุมนี้ไม่มีวิโมกวิโมกต้องสัมผัสด้วยกายลึกไปอีกแล้ววิโมกต้องสัมผัสด้วยกายเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้แม้แต่ลมหายใจของเราเข้าออกนี่เรามีกิเลสอะไรที่มันกายสังขาร ที่มันปรุงแต่งอยู่ไม่เป็นความปัจสัทธิหรือเป็นความปัดซัมพยังไม่สงบไม่ระ ง, งับเป็นกายปัสซัมพยังหรือกายปัจสัทธิหมายกว่ากายสงบกายสงบไม่ใช่กายไม่กระดุกกระดิกไอ้นั่มันร่างไม่กระดุกกระดิกจ้ะ รู้ไหมจ้าไอ้มะกระดิกร่างมันไม่ใช่ไม่แต่กระดิกร่างไม่กระดิกกายกายคือลักษณะองค์ประชุมโดยเฉพาะไม่กระดิกไม่กระดิกตัวนี้ก็คือไม่มีกิเลสตัวกิเลสมักกระดิกอยู่ในกายอยู่ในจิตทั้งกายทั้งจิตไม่มีกิเลส ต, ตัวนี้เลยนั่นคือสงบกายสังขารสงบจิตสังขารสงบเพราะอะไร เพราะกิเลสมันสงบกิเลสมันดับไปกิเลสมันไม่มีบทบาทไม่มีกิริยาอยู่ในจิตเลยเรียกว่ามันสงบกายเป็นยังไงโอ้โหกายคล่องแคล่วน่าเรียกว่ากายยะกรมรมัญญตาหรือกายยะปาคุญญตากายคล่องแคล่วว่องไวทางานได้เก่งมีเรี่ยวมีแรงมีขยันมันเพียรแข็งแรงโอ้โหสมรรถนะสูงด้วย ทำงานอย่างเต็มที่อย่างพอเหมาพอเจาใช้ส ป, ปุริสฐธรรมชามหาประเทศสีทำงานอยู่เลยเต็มที่นี่คือกายปัิสัทธิจ้ไม่ใช่เป็นนั่งตัวนิ่งร่างปัิสัทธิไม่ใช่ร่างปัิสัทธินะจ๊ะไม่ใช่สรีระปฏิสัทธินิกายะปัสิสัทธิคาว่าสรีระปัสสัทธิกับกายะปฏิสัทธิมันคนละอันนะจ๊ะ หลายคนกำลังถามว่าพ่อครูกําลังพ่อครูกําลังเรียนแบบเจ้าวาดแถวปทุมธานีหรือเปล่ารู้สึกจะเรียนไม่คือเลยทีเดียวนะไม่หลอกเหมือนเขาเขาหน้ามันผมเกลี้ยงอะไรนี่นะมันต่างกันไม่คือคําว่าจ้ากับนัจะเนี่ยของพ่อครูไม่มีคําอ้อยส้อยหรือไม่มีลักษณะจริตนะฮะอ้าวก็ดัดมันบ้างทีเจริญนี่มันดัดได้ ก็ดัดให้มีมั่งก็ได้ก็มีมั่งนะมีจริตมั่งก็เรียกว่าก็ดัดมั่งสิจริตดัดให้มันมีมันไม่มีก็ดัดให้มันมีมั่งครับผมแต่เอาเอาเอาเป็นว่าแม้จะมีแต่ก็ไม่คือเอาไม่คือเอาเถอะช่างมันผมอ้าวต่อนะวันนี้นี่พยายามอธิบายเจาะลึกไปเอาหลายเดี๋ยวมันจะละเอียดลงลึกเกินไปนะเอาเอาแต่พอเหมาะเอามาคําว่ากายก่อนกายนอก คือองค์ประชุมของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัตถุข้างนอกทั้งหมดดินน้ำไฟลมนะมีมีมีรูป ร, ร, ปรูปรูปรูปคือรูรูปรวัตถุวัตถุข้างนอกทั้งหมดดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องของฟิสิกส์ทั้งสิน้นเสร็จแล้วเราสัมผัสมันเรียกว่าเกิดภาษาทรูปเกิดโคเจรรูปหรือเกิดวิสัยยรูป มันก็เกิดสิ่งที่เรากําหนดรู้ได้รู้ได้ขึ้นมาการจะเห็นรูปต้องมีจิตใช่ไหมต้องมีวิญญาณใช่ไหมไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเข้าไปร่วมด้วยนี่คุณอ้ออะไรไม่เห็นอ่าไอ้นี่มันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณฟักทองลูกนี้โ ต, โตโตอยู่ข้างล่างหน้านี่ยอฟักทองจา๋านี่ฉันจับเธอนะจ้าเธอรู้ไหมนี่ฉันตบเธอแล้วเนี่ยฟักทองมันบอกว่าฉันรู้แล้วจ้าว่าตบฉันอย่า ต, าตบแรงนัก เบาๆหน่อยมันก็เลยบอกอาตมามันบอกได้เลยมันรู้ได้เลยมันรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นรูปรูปมันไม่ใช่รูปกายหรือรูู้ะอื่นๆอะไรก็ไม่รู้แหละมันเป็นรูรูปสังขารมันไม่ใช่สังขารที่มันปรุงแต่งกันอยู่ระหว่างนามกับรูปมันไม่มีนามเข้าไปร่วมด้วยเลยคำว่ากายต้องมีนามเข้าไปร่วมเสมอ ขาดนามซะแล้วเรียกว่ากายแตกตายกายยศเพทาเพราะฉะนั้นกายแตกแล้วไม่มีน้ำร่วมด้วยแล้วกายแตกนี่ไหมคราบว่าไม่ใช่ไม่เหลือไม่เหลือกายนะไม่ใช่กายแตกนีน่ยังมีกายอยู่นะกายแตกนี่นเหลือแต่ร่างกับตัวธาตรู้ธาตรู้นี่จะเรียกอะไรอีกลายภาษาเลยเรียกวิญญาเรียกจิตเรียกมโนเรียกวิบาของจิต ผลขอจิตที่มันเหลืออยู่ประชุมกันอยู่คุณก็เรียกได้ไอ้วัตถุนี้มันก็อยู่ของมันร่างของที่คนตายมันก็ร่างเพราะมันไม่มีวิญญาณนะร่างเพราะไมีวิญญาณแม่มันนึกถึงประเด็นหนึ่งตอนนี้น่าจะอธิบายแสกจําไว้ก่อนนะว่าอธิบายบถึงร่างไม่มีวิญญาณครับแต่ตอนนี้ขอแวะลงไปในร่างไม่มีวิญญาณของนักหลง ขอเรียกว่านักหลงเลยนะเช่นเขาหลงว่าโอ้โหคนนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีบารมีสูงมากเลยตายแล้วในนิ้วยังเล็บยังงอกต่อตายแล้วผมยังยาวต่อโอ้โหคนนี้มีบารมีสูงมากที่จริงคนนั้นนรกกินหนักคนนั้นตกนรกหนักเพราะยึดมัน่นถือมั่นในพลังงานที่เป็นพีชา พีชาก็ไม่ยอมปล่อยคือพลังงานไม่มีจิตครองละไม่มีวิญญาณครองละพลังงานไม่ใช่จิตนิยามแล้วพลังงานเป็นพีชานิยามแล้ะเป็นมนุษย์พืชละเขาก็ยังยึดอยู่เลยว่าเขาไม่ตายไม่ตายแล้วก็เลยงอกได้แต่สิ่งที่มันไม่ไม่ไม่มันพอได้มันก็จะงอกเล็บผมขนผมเล็บผมขนฟันหนังแต่ฟันมันไม่งอกหรอกฟันมันจะทรงนะมันก็จะงอกอยู่ เพราะยอนหนังมันก็จะไม่เหี่ยวนังก็จะไม่สลายไปจะไม่เน่าง่ายๆพวกนี้ก็เลยหลงว่าโอ้โหนี่ตายแล้วไม่เน่าหนังก็ยังอยู่ผมยังเกิดงอกยาวต่อเล็บก็ยังงอกออกอีกอยู่ได้เรื่อยๆจริงพวกนี้นรกกินหัวหนักยึดมัน่นถือมัน่นหนักในพลังงานที่ควรจะทิ้งพลังงานยึดจริงๆเขายึดจริงๆมันก็อยู่จริงๆมันจึงทำงานให้เล็บก็งอกอยู่ ผมก็ยาวอยู่นังก็ยังไม่ยอมเน่าจริ ง, จ ร, งจริงเลยเป็นไนก็นักยึดนักยึดนี่แหละคือสัตว์นรกฟังคำภาษาไทยนักยึดนี่แหละสัตว์นรกขออภัยไออีคนไหนยึดไออีคนนั่นคือสัตว์นรกนี่จำนวนโพธิรักแรงไหม โดนใครไม่รู้มั่ง <c oughs> แม่วันนี้โพธิรักองค์ลงองพระพุทธเจ้าลง <c oughs> องพระพุทธเจ้าเข้าเข้าสิงเลยหนักหน่อยขออภัย <c oughs> นะเพราะ ง, งานคนจะไปเข้าใจว่าคนตายแล้วไม่เน่าคนตายแล้วเล็บยังงอกผมยังงอกคนยังงอกขม ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยซึ่งเป็นสมบัติที่ผีชะมันยังทำงานร่วมอยู่อีกนานมันไม่ใช่กายนะผมขนเล็บฟันหนังนี่ไม่ใช่องค์ประชุมขออพัยมันกลับเป็นองค์ประชุมอย่างหนักของผีชะธรรมดาแล้วเนี่ยมันไม่มีวิญญาณร่วมเพราะเล็บนี่มันยาวมานี่ตัดได้เลยมันไม่เจ็บนะมันไม่มีความรู้สึกร่วมหรอกผมนี่ก็ตัดได้เลยสั้นกุดอย่าไปเฉียดก็ไปหาผิวหนังแล้วมันเจ็บ ตัดอะไรก็ตัดได้ขนก็เหมือนกันหนังชั้นนอกนี่จริงๆก็ไม่เจ็บหนังชั้นนอกเนี่ยถ้าหนังคุณหนาขึ้นมาใน่ยหน่อยคุณถูกออกไม่เจ็บหรอกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยฟันนี่ก็กรอได้ข้างนอกเน่กรอไว้ทึงประสาทนะกรอถึงประสาทก็เจ็บอีกอะลึกซึ้งนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นวัตถุ ไม่มีวิญญาณร่วมแต่มันต่อเนื่องอยู่เล็วมันก็ติดเข้าไปหาหนังมาหาประสาทหาเนื้อมันก็เลยเชื่อมกันหาที่ต่อหาที่ตัดยากผมยังง่ายตัดกุดนี่มันก็ไม่เข้าไปแต่เจาะเข้าไปเจ็บเลยขนเมื่อนใช่ไหมหรือหนังเหมือนนี่ถ้ามันไม่หนาเนี่ยนะมันเปื้อมันก็ถึงข้างในว่าเจ็บ แต่ใต้มันนั้นหนานะโอ้โหคุณเอ้ยคุณตัดเฉือนออกไปเป็นชิ้นๆแผ่นๆยังได้เลยไม่เจ็บหรอกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นวัตถุที่เชื่อมต่อระหว่างวิญญาณหรือประสาทะเพราะฉะนั้นผู้ใดยังยึดผมขนเล็บฟันหนังเป็นตัวกูของกู ก็คือคนตายได้มันยึดอยู่นั่นแหละมันตายแล้วมันยังยึดผมของกูผมงกูผมก็ยาวอยู่เล็บของกูง ก, งกูก็ยังยาวอยู่หนั ง, งกูหนังก็เลยยังไม่เน่าอยู่นักยึดไออีคนใดยึดอย่างนี้คือสัตว์นรกแล้วไปนิยมชมชื่นกับผู้ตายที่ไม่เน่าผู้ตายที่ผมยาวขนยาวเล็บยาวอยู่ออกมาได้อยู่ผู้นั้นหลงผิดไปยึดบูชาสัตว์นรก เป็นที่เคารพเข้าใจไหมชัดเจนไหมนี่ขอแวะตรงนี้อ่ะเอบอกว่ามันงมงายกันขนาดนักมันไม่รู้ลึกซึ้งถึงผีชะผีชะนิยามกับจิตนิยามแยกผีชะนิยามจิตนิยามไม่ออกเพราะคนคนตายก็ควรจะต้องรู้ว่าบิญญาณเราก็แค่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและก็รับความรู้สึกมาทํางาน พอตายแล้วไม่มีธาตุระดับนั้นถ้าระดับตาหูจมูกลิ้นกายทํางานอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วใครกําตดไปให้ดมก็ไม่รู้เรื่องถ้าเอามีดไปจิ้มเอาไฟไปเผาจุดเข้าไปในผิวหนังกรีดพายังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะงั้นนี่มันผีชาตินิยามเท่านั้นมันไม่ใช่จิตนิยาม มันเป็นอนุปัถินากาสังขารเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองไม่มีกรรมครองไม่มีบาไม่มีบุญแล้วนี่คือรายละเอียดนะเพราะงานคนที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของผีชันิยามจิตนิยามดัทงที่กล่าวนี้จึงงมงายไปหลงความที่ไปยึดผิดว่าเป็นสิ่งวิเศษเห็นไหมยึดสิ่งผิดเป็นสิ่งวิเศษเพราะั้นใครยังไปกราบ บูชาเคารพศพที่ไม่เน่าศพที่ยังเล็บก็งอกอยู่ผมก็งอกอยู่คนนั้นเคารพผีนรกขออภัยที่โพธที่รักเอาแรงวันเนี้ยเอาแรงหน่อยนะขออภัยเพื่อที่จะได้เช่าใจชัดสักทีนึงเลิกงมงายสักทีหนึ่งไม่ใช่นนั้นก็งมงายกันอยู่ไม่รู้แล้วอยู่อย่างนั้นแหละนะอาเอาแค่นี้ก่อน สำหรับไปบูชาเคารพสิ่งที่ผิดเนี่ยนะซึ่งไม่เขา้าไม่เข้าใจในเรื่องสัจธรรมกลับออกมาเมื่อกี้ท้งไก น, นะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องร่างที่ไม่มีวิญญาณอา่าวร่างที่ไม่มีวิญญาณนี่นะครับผมมันแยกกันแล้วกายกับจิตท่านพูดกันว่ากายกับจิตถ้าไม่ได้พูดว่าร่างที่จริงมันร่างกับจิตกายเป็นตัวกลางกายเป็นตัวกลาง ถ้าร่างกับจิตมันผสมกันเข้ามันยึดกันเข้ามันเป็นกายมันมีกายพอร่างกับจิตมันไม่ยึดกันแล้วแยกแล้วกายมันหายไปเพราะยังคนตายไม่มีกายมีแต่ร่างกับจิตจิตคืออะไรจิตคือกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากที่ตนเองมีวิบากบจิตนั้นเป็นวิบากในจิตของคุณในอนุสัยอาสาของคุณเหลืออันนั้นแหละ นั่นแหละของคุณอะนะอย่าปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้แล้วของคุณนะเท่านี้แหละในชีวิตและไอ้นี่นะมันไม่ตายง่ายๆเลยเนี่ยไม่ตายจงกระทั่งในศาสนาหลายศาสนาถือว่าอมตะถือว่าไม่ตายนี่รันดอนทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักกิเลสไม่ได้ล้างกิเลสออกจากจิตนี้หมดเลยล้างกิเลสนะไปล้าง ที่มันสั่งสมอาสะวะไม่ได้ล้างไม่ได้จิตที่มันสั่งสมแล้วสั่งสมไปมันยึดแล้วยึดเลยคุณมีสิทธิ์ที่จะล้างกิเลสออกในจิตปัจจุบันที่มีผัสสะเท่านั้นเมื่อมีผัสสะจบแล้วกิเลสไม่มีผัสสะใดก็ไม่มีกิเลสได้แล้วปัจจุบันนี้จบอดีตคือสิ่งเกิดแล้วฝังแล้วเป็นอนุัยแล้วมันทางาน มันทำงานเพราะฉะ้ามันจะออกฤทธิ์ตามที่มันมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่พน้นเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่พน้นมันจะออกฤทธิ์อยู่ต่อเป็นแต่เพียงว่าคุณจะทากุศลมาเป็นตัวขั้นกุศลที่เป็นแค่ตัวขั้นนะไม่ได้เป็นเป็นตัวล้างนะกุศลที่เป็นเพียงตัวขั้นนะขั้นกิเลสไว้ไม่ใช่ตัวล้างบุญนึงจะเป็นตัวล้างเออ กุศล น, นี่เป็นแค่ตัวขั้นให้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณสร้างกุศลในหม้มากๆมันก็จะเป็นบัฟเฟอร์มันก็จะเป็นเขื่อนนะเป็นผนังเป็นอะไรที่กั้นให้ไอ้ตัววิบากนี่มันไล่ไม่ทันเหมือนหมาไล่เนื้อห่างเท่านั้นเองไม่ได้กําจัดตัวกําจัดจริงๆคือตัวบุญมีหน้าที่กําจัดได้เพราะบุญนั่นมีปัญญา บุญนั้นเป็นตัวปัญญากุศลไม่มีตัวปัญญาหรอกเขาอุตสาห์ไปดัดจริตกุศลแปลว่าวฉลาดแต่ฉลาดตัวนี้ภาษาบาลบีว่าเชกะถ้าสืบสาวราเรื่องไปยกับพยัญชนะเอมันจะไกลอัตมาขอไว้เพราะมันใช่ตัวฉะกะกะและมันใช่ไอตัวฉะกะกะนี่นะตัวฉะเนี่ยแปลว่าหกตัวกะกะละเนี่ยละเนี่ยมันก็แปลว่าว ไอตัวที่มันเลอะนั่นแหละพูดอย่างภาษาไทยกะนี่เป็นตัวกลางกอไก่กลางลอลิงหรือลอจุฬามันเลอะมันเปื้อนมันเสียมันจะไปกันใหญ่นะนเนี่ยเอาละพอถ้าอัตมาอธิบายไปถึงกกะครงจะจช้ยาบตัดถัดเทรนไปอีกมันจะเลอะใหญ่เลยบาลีพวกเนี้ยมันมีรากเงาของพยัญชนะที่ไปสู่สภาวะทำจะละเอียดมากเลยอัตมานรู้ทำมาด้วยภาษาสื่อแบบเนี้ย ไม่เรียนพยัญชนะแบบไอ้อะไรอ่ะกายวิภาคอะไรไอ้ไวยากรณ์ธรรมวิภาคอะไรที่เขาเรียนกันอะแตมาไม่ได้เรียนตามทฤษฎีเขาหรอกแต่แตมารู้จักสัจธรรมอาอพ่อเดี๋ยวนิดเดียวพ่อครูพ่อครูบอกว่ากูสนเป็นแค่ตัวขั้นเออแต่บุญเนี่ยเป็นตัวล้างเออใช่ในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงตัวล้างเฉพาะกิเลสแต่ไม่ได้ล้างกรรมแต่ไม่ได้ล้างกรรม กรรมที่ทํามีปัจจุบันแล้วก็มี อ, อดีตกับอนาคตมีสามกรรมครับผมกรรมหนึ่งกรรมอดีตกรรมหึกรรมปัจจุบันอีกอันหนึ่งกรรมนึ่งเป็นกรรมอนาคตคนเราก็จะมีความรู้ในสามอย่างนี้เท่านั้นแล้วยึดครับผมเพราะใครยึดกรรมอดีตก็เอากรรมอดีตมาใช้ใครยึดกรรมอนาคตก็เอากรรมอนาคตมาใช้ ใครเข้าใจต้องถือว่าเข้าใจใครเข้าใจกรรมปัจจุบันก็เอากรรมปัจจุบันมาใช้เพราะฉะนั้นทิศิแบ่งเป็นสามอย่างทั้งหมดเลยมี62 62อนะอดีตมี18อนาคตมีอีก44อนาคตนีบ้าก็อดีต มากกับอดีตเพราะอดีต ท, ทำแล้วมันก็ไปของที่มันจะทำออกคนให้แกตนเท่านั้นเองส่วนอนาคตที่สร้างได้มากมายมีวิมานเฟ้อไปอีกเลยเนี่ยสำนักที่กำลังสร้างวิมานอนาคต น, นี่คือสำนักธรรมกายสร้างหนักสร้างจัดสร้างมากขออภัยในยขอออกชื่อเลยบอกว่าเทรสสมาคมยั ง, ลงหลงไหลส่งเสริมธรรมกายอยู่เนี่ยนะก็คือพากันสิบหายกันทั้งคู่พูดให้ชัดเลย เทนสมคมส่งเสริมธรรมกายอยู่ตราบใดเนี่ยธรรมกายพากันไปก็พากันลงนรกทั้งคู่เพราะพวกนี้สร้างวิมานบาปสร้างวิมานบาปเป็นวิมานลอยลมสร้างไปปรุงแต่งไปหลอกลอ่อไปหมดเลยเป็นโลกีโลกีโลกีโล ก, โล ก, โล ก, โลกีเต็มไปหมดเลยจึงกลายเป็นเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์หลอกเป็นสวรรค์โลกีนับไม่ถ้วนก็มัน ผลิตใดก็ได้เพระเาะฉะนั้นอนาคตยิเ่เยอะมี44ทิฏฐิอดีตมี18ปัจจุบันมี5มีเท่านี้พระพุทธเจ้าสรุปไว้หมดแล้วทิฏฐิมี62แค่นี้18บวก44บวก5 42ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเพราะท่านคิดไว้แล้ว <c oughs> อธิบายปัจจุบัน5ก่อน เดี๋ยวรู้สึกผมฟังผิดหรือเปล่าที่พอครูรวมกันแล้วเหลือ4 2นะจริงๆน่าจะเป็น62ไม่เช่อ <62 S 1> หรอครับ62ข้ออาภายัยผู้4 2กับเมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะสัญญาวิปลาสไป็นกำหนดบัญญัติผิดเรื่อยเลยไอ้ใจมันอย่างหนึ่งเลยไอ้ปากพูดออกมาอีกอย่างมา่าก็ดีฮะ 62, 62อย่างน้อยก็เป็นการช่วยผู้ฟังให้ได้มีโอกาสตรวจสอบว่ายังฟังอยู่หรือเปล่าเอาตกลงไม่ถือสาก็ขอบคุณเทิดธรรมาพูดผิดก็อภัยครับผมอะ อาตมาโอบสุบอกแต่ท่านตรงนี้ฟังผิดเป็น42ใช่ไหมอ่าตอนแรกตอนหลังพูด42องเอ่าอาจจะได้อ่าเราไม่ได้จำนะนะท่านเอาเครื่องบันทึกมันมาเอาเป็นว่าถ้าถูกหรือผิดก็ไม่เป็นไรเข้าใจว่า62กันล้วหกมันถูก บางีบางทีท่านอาจาร์อาจจะฟังผิดก็ได้อ่าได้อาดีแล้วละมันไม่ไม่มีตัวตุไม่มีตัวตนก็ดีแล้วบางทีอาจมาบางทีคุณอาจจะฟังผิดก็ได้นี่ดีแล้วพูดอย่างนี้คือพูดไม่มีตัวตนครับผมถ้าบอกว่าอาตมาฟังแม่นนะมีตัวตนขึ้นมาครับผมเอาปัจจุบันซก่อนปัจจุบันมีห้าจริงๆแล้วคนหลงไหลจุดสุดท้ายของชีวิตก็ ตรงหลายจุดสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันหมดโดยสรุปว่าไอ้สุดท้ายของชีวิตนั่นแหละคือสุขคือสุขใครๆก็อยากได้สุขนะถ้าคุณได้สุขกอไก่นะีสมบูรณ์ถ้าคุณได้สุขขอไขนะ่นยังมีความว่างยังน้อยก็ยึดความว่าง ผมผมไม่เข้าใจะสุกกอไก่สมบูรณ์คืออะไรสุกกอไก่ก็คือสุกอย่างจบเลยสุบอย่างหมดทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยสุกกอไก่เนี่ยนะคือเริ่มต้นทุกอย่างเลยเนี่ยไก่กับไข่เนี่ยมันเป็นตัวต้นที่ไม่ต้องพูดยากไก่กับไข่เนี่ยไข่เกิดก่อนกัรไก่กับไข่ยาก เพรา ะ, ะ น, นจบที่ไก่กับไข่นะมนุษย์ผู้ใดรู้จักไก่กับไข่เนี่ยจริงๆแล้วนี่ไข่มันเกิดไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีตัวแม่สิ่งทุกสิ่งอย่างเกิดมาแต่เหตุถ้าไม่มีตัวเหตุก่อนอะไรก็เกิดไม่ได้เพรา ะ, ะเหตุคือแม่จึงเกิดลูกเพรา ะ, ะั้นความเป็นแม่ก็ดีความเป็นพ่อก็ดี มาตาปิตาซึ่งจะต้องเข้าใจอย่างสาคัญเลยว่านัตถิมาตานัตถิปิตาหรือว่าอัตถิมาตาอัตถิปิตาออะไรเดี๋ยวจะไปโนดอีกแหมรู้มากยากนานี่ยดาวไปโนดอีกมาเข้าเป้าตรงที่ว่าอะไรอะครับสุขกับสุ ข, ขอไข่กับสุขกอไก่ขอไข่นี่คือความว่างคืออากาศสถาตา เพราะฉะนั้นคนที่ยังยึดอากาศสาธาติอยู่นั่นคือคนยังมีตัวตนเพราะฉะนั้นใครสามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันเกิดความว่างได้ก็อาศัยความว่างนั่นแหละอยู่จึงเรียกว่าเป็นปริเฉทรูปสุดท้ายเป็นปริเฉทรูปสุดท้ายเป็นอากาศสาธาติเมื่อรู้ว่าความว่างนี่แหละคือความโล่งสุดแล้วในสุญญตาสูตก็ดีจุลสุญญตาสูตก็ดี อันนี้ว่างจากอันนั้นว่างจากอันนี้อันนี้ศาลาว่างจากช้างศาลาว่างจากคนแต่ยังมีเสาศาลาว่างจากเสาเอ๊ะมันศาลาได้ไงว่ามีไม่มีเสามันก็ว่าไปอาศาลานี้ว่างจากกันว่างไปจากอันนั้นจากอันนี้จอกระตั้งว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เรียกว่ายังมีอากาศยังมีช่องว่างยังมีความว่าง แต่มีองค์ประกอบเพราะคุณยังมีาธาตุขันธ์หน้าคุณยังมีาธาตุรู้คุณยังมีอะไรที่รู้มันก็ว่างแต่ใครทําความว่างได้สูงสุดแล้วก็อย่าไปยึดความว่างว่าเป็นเราสูงสุดแล้วอาศัยความว่างมันเท่านั้นเองแต่คนหลงติดความว่างนั่นแหละสุขเพราะฉะนั้นในธรรมกายเนี่ยจึงสอนให้คนไปสู่จุดใสว่างใสว่าง แล้วเขาก็ยึดว่างนี่แหละเป็นนิพพานยึดว่างไซนี่เป็นว่าสายนี่คือสายอาภัสราส่วนสายมืดคือสายท่านอาจารย์มั่นหรือสายพระป่ายึดดำไม่ใช่ยึดว่างยึดกินนาหะยึดกินนะหะแปลว่าดำมืด ก็คือทำให้จิตแทนที่จะให้ใสโล่งโล่งไม่มีที่สิ้นสุดอาคาอนันโตอาคาโซติไม่ไปยึดความมืดดาไม่มีที่ไปที่มาเลยไม่มีที่ไปที่มานะดาเนี่ยมืดยึดอ น, นันเป็นสุภะเป็นของที่น่าได้น่ามีน่าเป็นพึงได้สุภะกินนะฮะฝ่ายนี้ก็เลยเป็นฝ่ายที่ยึดอยู่กับที่ อยึดอยู่กับที่นี่ดีไม่อารวาสไม่ไปเที่ยวสร้างวิมานหลอกใครสร้างวิมานเดียวคือวิมานมืดวิมานดำวิมานเดียวไม่ต่อไม่ขยายผลนะวิมานมืดนี่ไม่ขยายผลอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นจึงอารวาสน้อยอารวาสน้อยเผยแพร่น้อยคนไม่ค่อยใจเนี่ย แต่พวกอาพัสราหรือพวกแสงสว่างพวกสร้างวิมานในอารวาสเยอะจะออกไปนอกโลกจะออกไปทั่วโลกจะออกเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเป็นทั่วโลกนี่ของจริงทั้งนั้นอาตมาขออภัยอาตมาไม่ได้ไปพูดกระทบใครแต่เอาความจริงที่เขาคิดเขาทาอยู่ในจิตของเขาอยู่ในหัวขมองของเขาเอามาพูดอาตมาแงเอาหัวขมองเขามาพูดขณะนี้ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกแล้วเขาคิดเป็นอย่างนั้นจริงๆมันพฤติกรรมของเขาที่เขาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตาม อาตมาต้องว่าอย่างแรงเพราะว่าเขาทำลายาศาสนาทำลายสังคมทำลายมนุษยชาติมากเกินไปแล้วมาเกินไปแล้วนะจ๊ะอาตมาก็จะต้องขอเตือนขออภัยแต่วันนี้ถือไม้ตะพดมาหัวดะเลยถือไม้ตะพดมานะ นอนถ้าเผือว่าคุณไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดพวกนี้แน่นอนคุณก็ยึดคุณยึดแม้ความว่างสุขะแปลว่ายึดความว่างผู้นี้ก็คือผู้ที่มีนิพพานถือว่านี่แหละที่สูงสุดที่ฉันจะอยากได้ท่านก็ได้อันนี้มีฝ่ายยึดไม่ใช่ฝ่ายยึดฝ่ายว่างฝ่ายมันไม่มีหรอกในโลกเนี้ยว่างมันก็ไม่มีที่สุด อนันโตอากาโซติว่ามันมีที่สุดที่ไหนแล้วคุณจะไปเอาว่างใส่ว่างคุณไปที่ไหนสุดไม่มีแต่มืดมันสุดนะมืด่ยมันสุดนะไม่มีอนันโตอนันโตกันห้ากันห้าโนติอะไรมันไม่มีไอ้กันห้าโหติมันไมีอนันโตกันนาวติดำไม่มีที่สุดไม่่มีหรอก มันดํามืดมันไร้ความกําหนดรู้ไร้สัญญาไรเวทนาอะไรคุณก็จบอยู่ในตัวคุณไม่มีความรู้สึกคุณไม่มีตัวกําหนดที่จะกําหนดต่อไปแล้วอย่างบททกาดาบทนี้กำหนดได้จบสุดแล้วมันไม่มีที่ไปอีกแล้วมันก็มืดอยู่ตรงนั้นเท่านั้นแหละแต่เอวใส่ี่สิคุณจะพูดยังไงมันก็ใสไปได้เบาๆเบาๆไปใส่ส่สเอานงางเบาๆนะหลับตาเบาๆ ความรู้สึกเบาๆเบาๆว่างๆใสๆโอ้ยอตมาละเมื่อแทนหาภาษาคารมมาหลอมมาล่อล่นคนลงวิมานนี่ไปคือเป็นลัลทธิสร้างวิมานหลอกคนสร้างทั้งคําพูดสร้างทั้งภาพสร้างทั้งเขย่าอารมณ์สร้างทั้งอะไรสารพัดที่เขาจะสร้างหลอก เขาจะทํากรรมหลอกนี่ให้บาปไปมากทางที่นั่งหลับตานี่หลอกน้อยสุดท้ายมีที่จบในการหลอกไม่หลอกต่อแล้วเพราะมไม่มีรู้อะไรจะหลอกต่อเพราะมันมืดไปหมดแล้วดำไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะรู้จะเห็นจะคิดละมันไม่ได้คิดอะไรแล้วไอ้นนทมันคิดไม่รู้จบเลยเนี่ยโอ้ยปรุงแต่ง ไ, ไม่รู้จบสร้างไม่รู้จบมันถึงบาลทะโลกโท ก, ออ ก, อ, ก, อ, ากาออกไปนอกอวกาศออกไปนอกโลกออกไปในหมดเลยจริงๆ เพราะรัตติกองเขาต้องเป็นรัตธิจาน์บินแน่นอนมันออกไปนอกโลกจริงๆมันเข้ากับตัวเขาหมดเลยเขาไม่รู้ตัวเราเขาทำอะไรแต่ผู้รู้เห็นอัตมาเข้าใจเห็นทำไมเจดีของธรรมกายจึงเป็นจานบิน mm. ก็มันต้องเป็นอย่างนั้นมันสมยุกอะมันสมยุกอะมันเป็นจริงๆเลยเขาไม่ได้เจตนาหรอกแต่เขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะเขาต้องเป็นอย่างนี้อะ นี่มันตถตาเขาต้องเป็นอย่างงี้ไม่เป็นอย่างงี้ไม่ใช่เพราะอาตมาถึงบอกว่าทั้งจี้เขาไปเลยว่าคุณหยุดเป็นนรกได้แล้วถ้าคุณไม่หยุดอีกตราบใดคุณก็บาปท่วมหูท่วมหัวเป็นอีกต่อไปข้อภัยเลยอาตมาไม่ได้ไปว่าเขาหรอกอาตมาห้าม <c oughs> ด้เมตตา <c oughs> ไม่ได้โกรธไม่ด้เกลียดไม่ได้ชังไม่ได้ทิยสยาเลย <c oughs> อ่ะเอาพอ สำหรับการเตือนเขามหาสัจจะคาว่าสุขกะไปยึดเอาความว่างเป็นดีสุแปลว่าดีขะแปลว่าว่างสุกะแปลว่ามันเป็นตัวต้นเป็นตัวมีเป็นตัวเขาเป็นตัวเงินเป็นตัวแรกของทุกสิ่งทุกอย่างกะกะคังกะกะกะนี่กะเกิดก่อนขะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่ากะนี่ไปเครื่องอาศัยอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา แม่คุณจะเห็นว่ากะนี่ดีกะคือกรณียะกะคือกรณะกะคือการกระทากะคือกรรมกะคือบทบาทที่ยังมีอยู่ในโลกเท่านั้นเองก็ก็อาศัยอันนี้ทาอยู่ในโลกทำงานกะจะเป็นการจะเป็นกิจจะเป็นการณรณะนะทั้งนั้นนะ คุณก็อาศัยตัวนี้อยู่ให้ดีใช้สัพปริสรมเจตกับมหาประเทศสี่อยู่ไป ด, ดีข้อสำคัญก็คือกะที่เป็นกิหรือเป็นกัลลิหรือเป็นตัวพฤติกรรมของกะกะและกัลลิหรือกาลีกะ แมอัตมาวันนี้ขยายบาลีที่มันเป็นพยัญชนะที่สื่อสภาวธรรมละเอียดอระละเอียดไปนิดห น, นึ่งเดี๋ยวขอพอมันมากมันจะเยอะไปอีกเพราะคุณเองคุณไม่เข้าใจกัลลิองค์ประชุมของกายอยากาลิองค์ประชุมของกัลลิเนี่ยคุณไม่รู้จักกัลลิถ้าคุณเหลือแต่กะการนี้เรียกว่าซึ่งเป็นเพราะงั้นคุณมีคําว่ากะ นําท้ายตับเรียกว่าเป็นปัจจัยท้ายในพยัญชนะไหนก็นแล้วแต่คุณใสก่กะแปลว่าคุณเป็นผู้ซึ่งหรือเป็นเป็นตัวกับอันนั้นแนหะกับอันข้างหน้านั่นแหละกะนี่เป็นตัวอุปสรรคโอ้ไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยตัวท้ายที่จะขยายข้างหน้าทั้งหมดเลยะกะตัวนี้มันเป็นตัวที่จะเกิดกะนี่เป็นตัวจะเกิด เพราะมันไปอยู่กับใครมันเกิดทั้งนั้นน่ะแต่ถ้ามันเกิดโดยปัญญาเกิดโดยรู้ว่าอะไรดีอะไรควรคุณก็อยู่ไปเรียกว่าสุขกะเพราะงั้นคำว่าผาสุขถ้าใครเขียนผาสุขตัวขอไข่คนนั้นยังสุขอย่างมีกิเลสยังมีขะถ้าใครเขียนผาสุกกอไก่เออคนนั้นสุขใช้ได้สุขยังอาศัยสุขยังมีตัวต้นที่อาศัย แต่อย่าไปยึดมันถือมั่นวันไหนเป็นเราเป็นของเราสุขนั้นก็ไม่ใช่ความเป็นเราเป็นของเราเพราะงั้นคุณจะสุกะถ้าคุณไปสุกกณก็ถูกต้มจนสุกถูกกะเนี่ยสุกนี่ถูกต้มจนสุกเลยเปื่อยเน่าหมดเลยถูกหลอกเพราะคุณรู้กะให้ได้ว่ากะคืออะไรเพราะั้นคุณก็อาศัยกะนี่ไปใน จนกว่าจะปริิญญานจนกว่าจะปริญญานเป็นปริโยสารน่ะคุณทํากิเลสออกได้หมดแล้วเป็นโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ยังไงคุณก็อย่าไปยึดกะเป็นเราเป็นของเราตัวแรกของพยัญชนะที่สื่อสภาวะทั้งหมดกะขะงจัจจฉาชยตาทตตะระปปปปมาอ่าญาวะสหะระอังเนี่ยทุกพยัญชนะของบาลีทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าไปยึดอะไรมาเป็นเราแม้แต่กะเป็นตัวต้นที่สุดแล้ว กากนี่เป็นตัวต้นที่สุดแล้วอังนี่เป็นพยัญชนะตัวปลายที่สุดแล้วคือไม่จะไม่รู้จะเป็นเขียนรูปอะไรแล้วก็เลยเป็นนิขหิตวงกลมเล็กๆนะอังเนี่ยตัวนิขหิตตัวท้ายเนี่ยก็คือตัวสุญญตาตัวศูนะเพราะงั้นกะขะขะงะจะชายยะปรตััดทันะแล้วก็มีตัวโตปตักตเดชดานี่ตัทันะอีกมันมีสองวัด ตัตัะันตะต่อเต่าอ่าตะต่เตทอถุงต่หารอะไรไปเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็มีตตัวตประตักตะทนะตะตะตประตักทธานทออะไรพวกเนียพวกเนี้ยตัดตัดันตะทมุโทมุเท่าที่ไปนะกัะจยตทนะทนะปะปะพะพะมะยะระระวะสหละอังจปลาย ไม่ยืดเป็นเราทั้งนั้นเนะ่เพราะฉะนั้นยิ่งตัวปลายิ่งหยาบแต่ลงท้ายตัวอังนี่คือศูนย์ย่อมมันมว้เล็กนิดเดียวติ่งมันไว้หน่อยเดียวอังพยัญชนะพวกนี้มีความหมายทั้งนั้นเลยแม้แต่ตัวศูนย์สุญญตาสุดท้ายถ้านยังเอาเล็กนิดเดียวนะนี่กืเห็นนิดเดียววงกลมนิดเดียวอย่าเอาโตเชียวเอ่ออาศัยได้ จริงๆมันไม่มีอะไรหรอกศูนย์มนไม่มีอะไรแล้วแต่อาศัยมันเถอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งอาศัยไม่ใช่อาศัยศูนย์แต่คุณอาศัยมีคือกะคุณจึงอยู่กับกะให้ดีที่สุดสุกะใช่ได้ถ้าสุกะยังทุกข์คุณยังยึดความว่างเป็นเราหยุดสิเอา ย, ยึดความว่างเป็นเราอ่า เอาเถอะมันจะมากจะยาวเกินไปอ้าวเข้าสู่ตัวทิฏฐิสามอ้าวยังมีเวลาสิบโมงกว่าครับนะคุณอมปากไว้ก่อนนะแย่ปเปรี้ยวปากกันแล้วกันครับ <laughs> ไม่มีความรู้สึกเปรี้ยวไม่มีความรู้สึกหวานนะดีมากามีความรู้สึกเป็นนักพูดมาเจอนักพูดนี้ก็ต้องสงสารกันนะน้นออาตมาก็สงสารนักพูดเนี่ยปล่อยเขาอม เปรี้ยวอมหวานอยู่ได้แล้วเราพูดอยู่คนเดียวเออก็ต้องขออนุญาตเขาหน่อยให้เขาปล่อยพูดพูดอยู่คนเดียวไม่แบ่งกันพูดเนี่ยมันก็ต้องขออนุญาตเขาหน่อยครับ <c oughs> เพราะงั้นผู้ที่ไม่เข้าใจสภาพของทั้งอดีตปัจจุบันอาตมาบอกแล้วอาตมาจะเอาปัจจุบันมาพูดก่อนทิฐิคนที่ยึดปัจจุบันหยุด3าอ้อยหอย่าง 5นะอย่างมีอะไรหนึ่งกามสองชานที่1 3าชาตที่สองสชานที่ส5หาชาตที่สยึดหอย่างเนี่ยกามกับชาตหนึ่งสองสสนี้เป็นสุดยอดแห่งความสุขเป็นสุดยอดแห่งความสุข interest point of life ชีวิตีิวาเลิศเกินเพราะงั้นคุณได้สิ่งนี้คุณก็ยึดนึกมั่นว่าสุขแล้วได้แล้วได้อะไรได้กามเป็นความสุขไม่ต้องขยายความอันนี้นะได้กามเป็นความสุขนี้ยังหยาบมากได้ชาหนึ่งเป็นความสุขชาหนึ่งยังมีทั้งปีตินะยังมีทั้งวีตกวิจารโอวิตกวิจารเนี่ยยังปรุงกงินเลอะเลยนะวิตกวิจารเนี่ยอ่า ยังมีพฤติกรรมเขานามรูปรูปนามอีกเจาะเลยวิโตกวิจารมีปิติมีสุขถือเป็นยอดเอกคตาชาหนึ่งคงก็ยังยึดตัวนึกว่าจิตของตัวเองนี่เบาว่างแล้วนะยังเหลือแต่วิโตกวิจาร์กับปิติสุขคนั้นน่ะนะเป็นยอดของจิตยึดเอาอันนี้เป็นเป็นนิพพานนี่ปัจจุบันเขาได้อาการอย่างนี้่คือปัจจุบันทั้งนั้นแนหะกามันก็ปัจจุบันการสัมผัสปุ๊บเสพรส เสพรสทางตาเสพรสทางหูจมูกดินกายหมดผัสะหมดสัปัสมันก็ไม่มีแล้วกามอะ่ะแต่ไออารมณ์ของวิตกวิจารปิติสุขพวกนี้สิไรกามไรพยาบาทอะไรเนี่ยโอ้โหมันเบากันแยะเลยเพรา ะ, ะนั้นกายของปฐมฌานองค์ประชุมของอารมณ์ปฐมฌานเนี่ยแหละเป็นนิพพานของคนที่ยุด เป็นสุขเป็นสุขกะย้ำเพิ่งไปเรียกสุขกะสุ ข, ขนะนต่อจากฌานเสด็หนึ่งไปฌานสองไม่ยาวแล้ววิตกวิจารหมายคมว่าพ้นจากที่จะต้องวิตกวิจารแล้วมีภูมิสูงละภูมิสูงขึ้นละรู้แจ้งแล้วไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิจารรู้หมดละ ภูมิสูงขึ้นกว่าแล้วอะไรก็ได้อะไรก็ปิติอะไรก็ดีหมดหลวงพ่อดีชั่วก็ดีดีกว่าดีดีหมดไม่ชั่วไม่ดีกว่าดีดีหมดดีแหลกดีดะไม่หมดเลยนี่หลวงพ่อไม่ต้องวิตารวิจารล์ละแต่ถ้าคนที่มีปัญญาจริงคุณบรรลุ ว, วิจารวิจาร คุณไม่ต้องวิตารณคุณไม่ตยานมันเข้าใจมันทะลุมันเข้าใจมันแจ้งชัดหมดเลยนั่นคือคุณบรรลุคุณมียานปัญญาที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าคนไม่สมบูรณ์แบบหลวงพ่อดีแบบทิง้งอะไรก็ไม่ยืดอะไรก็ไม่ถืออะไรก็หลวงพอ่อ ด, ด, ด, ดีดีดะดีหมดดีอะไรก็ไม่เอาวางวงวางวางวา ง, วางปล่อยเชอทิง้งไม่เอามาคิดไม่เอามานึกไม่เอามายุ่ง คุณก็ปลดปล่อยได้นะคุณก็วางได้แต่คุณไม่ได้เรียนรู้ต่อเลยว่าและกิเลสของคุณอนุสัยอาสวะของคุณคุณรู้เปล่าว่ามันยังมีหมกักอีกเท่าไหร่บกี่เท่าไรพระพุทธเจ้าถ้บอกว่าหมักหมักหมมเน่าในหมักไว้เนี่ยมันเน่าใ น, นนะต้องหมักชำราดให้หมดถ้าไม่หมดนะเน่าในทั้งนั้นนะนะแล้วเมื่อสามารถที่จะได้ถึงฌานสองเป็นนิพพาน คือก็ยังเบาวกว่าชาตหนึ่งเบาวกว่ากามมายึดชาติสามตอนนี้แม่แต่ปีติอารมณ์ฟูจใจอารมณ์ปีติอารมณ์เคลื่อนไปยินดียินร้ายอะไรก็ใหม่มีละ ก, กลางกลางอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขก็เอาแต่สุขสงบไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรเลยสงบเป็นชาตที่สามนะ แต่ก็ยังมีอาการรดของความสุขอยู่นะโอ้โหละเอียดมากนะอันเนี้ยมันยังกลมอยู่ก็ไอ้มเราไม่ไม่หือ้อไม่อื้ออะไรแล้วไม่กระดุกกระดิกแล้วจิตมันว่างแต่มันยังมียึดอยู่ว่าสุขเน่ากับว่างในสุขนะชาตที่สามเป็นนิพพานสุดท้ายชานที่สี่มีอุเบกขาเป็นที่สุด ได้อุเบกขาตัวนี้เนี่ยไม่มีแต่ความสุขหรือไม่สุขสิ้นทุกขสิ้นสุขอทุกขมสุขอุเบกขาตัวนี้แหะคือตัวกรรมกรร ม, มัญญากรรมนิยะตัวนี้แหละตัวกรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาก็ทำงานอยู่เรียกว่ากรรมปัญญะกับกรรมตัวเนี้ยกับกอตัวเนี้ยมีแต่ อุเบกขานี่แหละจิตมันไม่ลำเอียงไปข้างไหนเลยเฉยกลางทำงานไตัวนี้ดีอาศัยตัวนี้จึงอาศัยสุกะถ้าจะอธิบายไปอีกนี่สุกกาเนี่คือน้ำเชื้อที่จะก่อเกิดถ้าจะไปอีกนะไกลขอพูดนำไว้ท่า น, นตัดสุกกาเนี่คือน้ำเชื้อที่จะก่อความเกิดของสัตว์โลก นามสุกะเขาจบเอาไว้ก่อนอยังไม่ต่ออันนั้นเป็นวัตถุแล้วเป็นตัวพลังงานแล้วมีตัวแล้วนะสุกกะเนี่ยมีตัวแล้วพาเกิดอ่ะพออันตนั้นเปน็อชีวะมีชีวิตตินรีอันนี้พูดถึงความมาเบาบางไม่มีชีวิตตินรีแล้วไม่มีความเป็นชีวิตชีวะแล้ว ไม่มีความเป็นชีวะของจิตนิยามนะแต่เหลือพีชนิยามได้เป็นชีวะของนี้พีชานิยามก็ยังมีอีกนะโอ้โหมันละเอียดจริงๆนะอะไรเดี๋ยวมันจะญาติยู่ญาติเกินไปพอเราสามารถที่จะรู้จักตัวที่อาศัยแล้วเราก็ใช้อาศัยไปพลางโดยเท่าที่เราจะมีปัญญารู้ว่าอนิยาม อันนี้เลวแล้วเราวางเถอะมันเลวสําหรับเรามันรู้แล้วเรามีปัญญาแล้วเข้าใจแล้วมันไม่ดีแล้วก็ล้างจนกระทั่งมันไม่มีเมื่อไม่มีได้คุณก็ชนะคุณก็บรรลุแล้วก็ไอ้ทิเนี้ยแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้พวกนี้ยังยึดอยู่ต่อมันจะละเอียดต่อไปอีกจนกระทั่งสุดท้ายขอสรุปจบก็แล้วกันคุณยังมีขันห้ายังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสะอาดหมดจดเลย รูปก็สะอาดเวทนาก็สะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณสะอาดหมดเลยก็ยังเป็นปัญจกักคันธาภาราเหวยยังเป็นขันห้าที่เป็นพาระพาระหนักที่จะต้องหาข้าวหาน้าให้มันหาที่หลับที่นอนหาที่นั่งที่ยืนน้ยมันจะต้องขี่ต้องเหยียวจะต้อง โอ้ยต้องร้อนต้องหนาว ต, ต้องอะไรอะไรอีกสารพัดก็ยังเป็นภาระแม่ขันห้าสะอาดแล้วเนี่ยเพราะคนที่ยังมีขันห้าอยู่จึงยังไม่ใช่ปรินิพานที่เป็นปริโยสารถ้าปรินิพานปริโยสารก็คือต้องยอมรับว่าขันห้านี้เป็นภาระที่คุณจะต้องดูแลมันเป็นทุกข์อันเลี่ยงไม่ได้เป็นขันทุทก คือขันห้าขัน ท, ท, ทุกทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มันมีขัน ท, ทุกมีนิพพตทุกมีพยาธิทุกมีวิบาปากะทุกมีอะไรอีกทุกข์มีไม่ใช่ห้าฮะเลี่ยงไม่ได้มีห้าเลยมีเจ็ดไม่ใช่เหรอฮะอ่ะอ อาหารรบปริเยติทุกนะครับอาหารรบปริเยติทุกอีกทุกที่ต้องแสวงหาอาหารทุกจะต้องแสวงหาคุณความดีแสวงหางานการที่ควรทําอะไรก็แล้วแต่อาหารรับปริยติทุกมีอีกตั้งกี่ทุกอะทุกที่เลี่ยงได้กับทุกที่เลี่ยงไม่ได้เพราะอริยสัจนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นดับทุกข์ซะจนปวดขี้ก็ไม่ทุกปวดเยี่ยวก็ไม่ทุกบ้าเลยไม่ได้หรอก มันต้องมีอาหาระปริยัติทุกทุกที่จะต้องแสวงหาสิ่งที่มาบำบัดมาบำรุงมาอาศัยให้มันอาศัยมันต้องการข้าวก็ต้องให้ข้าวมันมัไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องอาการน้าก็ต้องการน้าก็ต้องหาน้าให้มันไม่งั้นไมไปบอกไม่พอบอกมันก็อยู่ไม่ได้ครับมีรายละเอียดว่าทุกที่เลี่ยงไม่ได้มีดังต่อไปนี้หนึ่งสภาวะทุก สองอะสภาวะทุกไปว่าทุกเกิดทุกเองตามธรรมาชาติเกิดาาแก่ตายไม่น่าเลยทั้งนั้นนะกิดแก่เจ็บตายที่เป็นธรรมธรรมดาเขาสองที่พ่อครูบอกเมื่อสักครู่นี้คือนิพพัทธทุกได้แก่ทุกประจําชีวิตร้อนหนาวหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปะสะวะัสสาวะข้อที่สที่ท่านเบิกบานกระซิบมาจากตะกุติเมื่อกี้นี้ บ, บอกว่ารส่งมาจากทางอากาศ <c oughs> าส่งมาทางอากาศ ครับผมส่งมาจากอากาศนะฮะอาหาระปริยติทุกขก็คือทุกในการหากินเลี้ยงชีอันนี้เป็นทุกขที่เลี้ยงไม่ได้ประการต่อไปคือพยาธิทุกทุกจากความเจ็บป่วยแล้วก็ที่พ่อครูบอกเมื่อสักครู่นี้คือวิปากทุกากทุกจากผลกรรมครับผมแล้วก็ข้อที่หทุกขขันตัวขันพุทธตัวแรกเลยก็คือที่มีการรักษาสัญญาสังขารมิญานที่พ่อครูบอกว่า แม้ขันห้าสะอาดแล้วก็ยังเป็นภาระทุกต้องเป็นทุกเลี้ยงอยู่ส่วนที่เหลืออยู่นั้นเป็นทุกข์ที่เลี้ยงได้เช่นปัจเจกะทุกสันตาปะทุกสหคตะทุกขวิวาฒมูลกะทุกขอะไรทํานองนี้รู้สึกทุกที่เลี้ยงได้คุณไม่ก่อวิวาทเมื่อไรคุณไม่ทุกวิวาวิวัฒมูลกะทุกคุณไม่ก่อวิวาทเป็นมูลไม่ทุกนั่นอย่างนี้เป็นต้น ส่วนสหคตาทุกก็คือทุกที่ผัวพันราบยศสรนเสริญสุขอย่าเป็นวนวลนางอย่างมันเนี่ยจะต้องได้ตรงมีต้องเป็นอะไรอยู่ในเสื่อมมันก็ทุกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหะอันนี้ ส, นสามารถทุกเลี่ย ง, ยงได้เลี่ยงได้ดับกิเลสพวกนี้ได้เลยสันตปะทุกก็คือทุกที่ร้อนรุ่มด้วยกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะอันนี้เลี่ยงได้ยังมีพลังงานแห่งอุณาหัธาตุของทุกอย่างทั้งรูดนานำครับผมไม่เย็นสนิท ส่วนปกินากาิกะทุกคือทุกจอเช่นความโศกปริเทวะทุกโทมานัตอุปายาตอะไรตอ่อเมีอะไร<อ>ทำความเ<า>บ้า ใ, <น S 1> ใจแหว่งใจเสียใจเหี่ยวใจเศร้าใจโศกใจทั้งนั้นแหล ะ, ะเป็นปกินกะทุกพวกนี้เนระเรียนรู้ได้ไม่ไม่ไม่จะเกิดอีกเลยในจิตเราอเอาทีนี้ก็มาสรุปลงว่านิพพานห้าในปัจจุบัน ในปัจจุบันนี้ต้องมีองค์ประกอบนะคุณมีการเป็นองค์ประกอบคุณสุขคุณมีฌานหนึ่งเป็นองค์ประกอบคุณสุขมีชานสงเป็นองค์ประกอบฌานาน4ี่มีองค์ประกอบอยู่คุณสุขถ้ามันไม่มีสภาวะนี้เลยคุณทุกข์ทั้งหมดนะ่ะคุณทุกทั้งหมดละ่ะอทีนี้คนก็หลงอยู่สอ ง, ส อ, งอย่างหนึ่งหลงความดำกับหลงความสว่าง คุณจะมีความดำของความสว่างคุณก็ต้องไปตัดภพนอกหมดเลยกามาพบดับไปหมดเลยไม่ต้องรับรูก้กามาพบคุณก็ไปอยู่ในรูปข้างในนั่งสะกดจิตก็ไปอยู่ข้างในเป็นอารูปเลยนะพวกภพดำก็ไปหาดำมดิจบโอได้อสัญญีสัตว์เป็นภพก็ดำปีอยู่เป็นสุภกินนะหะพรมนิวเทวดาสุภกินหะแล้วก็หลงว่าไอ้นี่เป็นนิโรธ น, นี่พวกหลงนิโรธส่วนพวกอีกพวกหนึ่งก็ไปส่งอภัสรา a, เป็นนิโรธสว่างว่างใสว่างโซดานี่ว่างขนาดนี้แต่สกิทาว่างก so ah no. ว่านะว่างกว่าโซดานะอ่าสกิทาได้ยังเป็นอาณาคารว่างว่างกว่าสกิทาอีกนะอ่าไปหาอรหันโอ้อรหันว่างว่างกว่ามันก็ปั่นกันไปเลยว่างยังไงองเขาวะ มันว่างเรื่อยไปนะหลอกเรวยพยัญชนะไปเรื่อยเลยพวกนี้จึงเป็นพวกอัตวาทุ ป, ปาทานยึดได้แต่วาทะแล้วก็สร้างวิมานในวาทะไม่มีที่จบที่สิน้นอนันตังอากาโซติพวกนี้คือพวกอนันตังอากาโซติพวกวิญญาณัญจาเจตนาด้วย เป็นพวกอนันตังวิญญาณันติด้วยนี่พวกนี้สองพวกส่วนพวกดับนั่นพวกอากินจัญญายตนะกับพวกเนวสัญญานาสัญญายตนะนนพวกดับส่วนพวกเกิดนี่ก็คือพวกอากาซ่ากับพวกวิญญาณนานจาอย่างเนี้ยึดอยู่อย่างเนี้แล้วเขาก็ทําได้แต่ของาศาสนาที่หลับตาจะต้องเข้าไปอยู่ในภพ ถึงจะมีสภาพอากาศสาหรือวิญญาณัญจาถึงจะมีอกินจันและก็มีเนวัตัญญาต้องเข้าไปอยู่ในภพอยู่ข้างนอกเป็นกามนี้มันไม่มีหรอกมันจะไปมืดอย่างนั้ไม่ได้มันเยอะแยะเลยมันจะไปสว่างอย่างนั้โดยไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ได้มันไม่ได้เพราะงั้นพวกมีนิพานอีกสี่เนี่ยตั้งแต่ปฐมชาญไปถึงจตุตชาญเนี่ยคือพวกอยู่ในภพต้องเข้าไปนั่งหลับตาภพ เช่นธรรมกายหรือสายพระป่าที่นั่งสมาธิหลับตาทั้งมวลพอลืมตาออกมาก็มาสร้างกามพอหลับตาเขาก็ไปสร้างพพนั่นคือธรรมกายส่วนพวกสายนั่งหลับตาสายพระป่านั้นดีบ้างดีตรงไหนดีตรงที่ว่าไม่พาสร้างกามบานปลายออกไปทางข้างนอกมากแต่พาเข้าไปดิ่งหาความดำความมืดอย่างเดียว ก็เลยหลอกมนุษย์ประตูเดียวแต่นี่หลอกสองประตูพอลืมตาก็สร้างการสร้างมหับพิชฌาใหญ่โตรูหรามากมายเยอะแยะไปหมดไม่จบสร้างนี่ด้วยพอหลับตาก็ไปสร้างเอาแสงสว่างในภพอภิษราใส่ใสพวกนี้หลอกสองทิศเลยทิศในภพนอกเลยว่าการมาภพก็หลอก ที่นภพบในเรื่อว่ า, าพบาพบก็หลอกส่วนสายพระป่านั้นยังดีหลอดแต่ข้างในเขาไปมืดมืดมืดมืดอย่างเดียวส่วนมาข้างนอกบอกเออลาบยศเสริญไม่เอาไม่เอาก็กดข่ม น, น, นี้นี้นี้นี้นี้ทิ้งทิงแต่ไม่ได้เรียนรู้ถึงจิตติดที่ยึดไม่ได้เรียนรู้เป็นปัจจุบันธรรมไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ล้างในปัจจุบันไม่ได้ล้างไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จักวิโมกขแปดที่สัมผัสด้วยกาย ไม่รู้ฟังให้ตายก็ไม่รู้เรื่องวิโมกแปดเด็กกายเป็นองค์ประชุมของตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกนี่ไม่รู้เรื่องสายดับตานี่ไม่รู้เรื่องหรอกพราะโมจะไปดับตาไม่รู้เรื่องอะไรก็ตาไม่เคยศึกษาเลยฟูก็ไม่เคยศึกษาจมกูกม่เคยศึกษาศึกษาเหมือนกันอย่างเก่งนะ ยา่างนอยกหนอสัมผัสนอก้าวนอยกส้นแลน้วนอยกกลางเท้าแล้วนอยกปลายเท้าแล้วน้อยกขึ้นสู่อากาศแล้วหนอแตะลงไปที่พื้นแลน้วหนออยู่แค่นี้รู้อยู่แค่นี้รูปลกกินเสียงสัมผัสเงินทองลาบยศ อ, อะไรไม่รู้กิเลสมันเกิดจากอะไรสิ่งนี้ไม่รู้เลย รู้แต่สัมผัสนอนอน อ, อยู่แค่นี้แล้วก็ยังก้าวหน้ามากกว่านะไอยุบนอพองหนอนี่ยึ่งเอาแต่แค่ท้องออกนอท้องเข้านอท้องออกนอท้องเข้าหนอยึ่งหนักใหญ่เลยยิ่งตื้นใหญ่เลยขออภัยโพธิรักขออภัยจริงๆ <c oughs> ขออภัยต่อบรรดาอาณาอคณาจารย์ทั้งหลายทั้งแหลที่ ล, ลาบรละลวงมากไปวิจารท่านหมด ขออภัยไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่วิจารณ์ด้วยความปรารถนาดีว่าท่านได้หลงผิดกันมามากจนตายไปหลายคนละหลายองค์แล้วมากกว่ามากแล้วตายไปไอ้ที่ยังอยู่นี่ฟังอาตมาได้ฟังดีๆมีสติศึกษาดีๆอาตมาและเจตนาไม่ได้เกลียดได้ชังไม่ได้โกรธได้ชังไม่ได้ลิษยาเลยที่คุณแก่งคุณได้คุณได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรต่างๆนานได้ความเคารพนับถือจากใครๆขออภไปไม่ได้ไม่ได้ลิสยาแม้แต่ น, น้อยยิ่งกว่าในโกตีมันบอกว่าติดเดียมันโฆษณาอยู่ทุกวันนี่ติดเดียอาตมาน้อยกว่าในโกตีอีกไม่ได้มีไม่ได้มีเศษเสี้ยวอะไรที่จะไปลิษยาหรือว่ารังเกียรรังงอนอะไรใครเห็นใจเข้าใจและเต็มใจช่วยด้วยที่ทํานี่ขออภัยย่หาว่าอาตมาคุยตัวเองช่วยช่วยให้รู้ช่วยให้ได้สติเตือนใจ ผู้ที่รบในผู้ที่หลงในความเป็นนั่งไปทั้งดับทั้งเป็นพบอภัสราก็ตามอันนั้นสายปฏิบัติทีนี้ขอแวะหน่อยนะสายเรียนบัญญัติสายเรียนความรู้เต็มหูเต็มหัวตัวนีนะ้เดินแล้วหัวนำหน้ามันหนักหัวเรียนจริงๆแล้ว เต็มไปด้ยบัญญัติหมดเลยวิเคราะห์วิจัยโอโหแยงอาตมาอยู่เป็นไฟเลยนักปรัชญาเรียนปรัชญาเรียนอะไรมาจบปรัชญาเอกจบโพสต์ดอกเตอร์มาอีกบานตะโก้เลยอาตมาเถียงสู้ไม่ไหวหรอกาอาตมาไม่เถียงหรอกมันสู้ไม่ได้เ <c oughs> พราะอาตมาพ่ออาตมาไม่ได้เคยสอนให้มาเถียงเอาชนะก็มีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเถียงไว้ว่า ถ้าเธอมุ่งแต่ทุ่มเถียงกันก็จะทำให้เกิดการพูดมากเมื่อเกิดการพูดมากก็จะเกิดความไม่สํารวมและเมื่อเกิดความไม่สํมรวมจิตเธอก็จะเหินห่างจากสมาธิอันนี้เป็นคำของพ่อคือพระพุทธเจ้าอืมดีทันทีทันใด ย, ยกอ้างขึ้นมาครับผมชัดเจนดีนั่เพราะงั้นสายเรียนนี่แหละตอนนี้นี่มากเลยในโลกมากกว่าสายไปนั่งปฏิบัติทั้งหลับ ตาที่ไปสงสุภกินนะฮะพรมก็ดีหลงอภัสราพรมก็ตามมากก็พูดปปฏิบัตินั่งหลงปฏิบัติได้แต่ฟุ้งซ่านการขบคิดเยอะเหลือเกินในโลกนะก็ได้แต่บัญญัติแล้วในบัญญัติเนี่ยมันสร้างวิมานได้มากมายอย่างที่พูดไปแล้วมันปั้นน้ําเป็นตัวปั้นลมเป็นตัวปั้นอากาศเป็นตัวปั้นวิญญาณเป็นตัวปั้นไปหมด หลอกมนุษย์อยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองว่ามันถูกเนี่เอาอันนี้มันหลอกแล้วก็เอามัานหลอกคนอยู่เงั้นน่ ะ, ะคุณสร้างบาปกันนะคุณรู้มากกัอัตมาเจอะเพราะคุณไปสร้างวิมานเอาไว้ที่อัตมาไม่มีวิมานกับคุณด้วย คุณไปสร้างวิมานพยัญชนะคุณไปสร้างวิมานปั่นน้ำเป็นตัวปั่นลมเป็นตัวปั่นอากาศเป็นตัวปั่นวิญญาณเป็นตัวเจ๊าะเลยอาตมาไม่รู้กับคุณนะไม่รู้จริงๆเพราะคุณไปปั่นเอาไว้อะไรกับนักหนาไม่รู้อาตมาไม่ไม่นึกว่าอาตมาโง่หรอกที่อาตมาไม่รู้กับคุณน่ะเพราะอาตมาไม่บ้าไปกับคุณบ้าหอบฟังอะไรกับคุณไม่ใช่ฟังด้วยหอบอะไรก็ไม่รู้มากก็ฟังหอบบ้านหอบเมืองหอบโลกหอบเอกภพไปหมดนะ หอหมดทุกจักรวาลเลยหอพุธหมดทุกดวงดาวเลยหอบหมดทุกอนูเลยเทหาวัตถุแท่งทึบนี่คุณก็หอไม่หมดเอหอไม่หมดเลย Space and Time คุณไม่เคยตัด Continuum เลยคุณไม่เคยตัดปฏิสัมพัทธ์ของมันเลยคุณไม่เคยตัด Continuum คุณไม่เคยตัดสันตติของทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้ง Space ทั้ง Time คุณไม่เคยตัดเลยเวลาคุณก็ยังไม่เคยหยุดทุกสิ่งทุกอย่าง Space and Time of Continuum คุณ Continuum ม, มันหมดเลยเพราะฉะนั้นในทุก Continuum ในทุกปัจจุบันคุณไม่เคยตัดและคุณไม่เคยหมดอะไรที่คุณจะเชื่อมต่อเลยแม้แต่ความว่างคุณยังเอา อากาซ่า น, นจา ย, ยตนาวิญญาณคุณยังเอาไอ้ไม่มีอะไรแล้วอากินจันคุณยังเอาเลยโอ้ยเวนอากินนี่คือไม่มีอะไรนิดนึงน้อยนึงก็ไม่มีนะยังเอามาเป็นของกูเลยเอาอะไรเอาไม่มีนี่แหละวะคุณเคยฟังนิทานะพระอนุรุตไหมติดขนมอะสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายอ่เป็นเจ้าชายอยู่เนี่ย กลับมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็จะบอกเฮ้ยเอาขนมมากินเขาก็เอาธนมมาถวายธบถวายทุกวันไม่ไม่เคยไม่เคยไม่มีสักทีขนมอยากกินขนมก็เรียกปั๊บก็ได้ขนมมากินมีอยู่วันหนึ่งมาถึงเรียกขนมอ้ามาถึงแล้วเอาขนมมากินข้าราชการบริพารวันนั้นไม่ได้ทําขนมเลยไม่มีขนมเลยบอกขนมไม่มีบอกขนมไม่มีพะยาคะเออใหม่นี่ว่าขนมวันนี้ปรุงใหม่เหรอ เอามากินขนมไม่มีเนี่ยเอามาเมาเมาม า, า, ม า, า, ม า, า, มาทีเดียวข้าราชกบริการกุมหัวขมับเลยอะไรว่าเอาขนมไม่มีมาให้กินกูเอาอะไรมาให้ดีวะเนี่ยข้าราชบริการก็เมาเลยขนมไม่มีคือคําว่าไม่มีไม่มีเลยในพจนานุกรมแห่งจิตวิญญาณไม่มีเลยทุกอย่างต้องมีนี่แหละคืออกินจัญญาจะชนะ ไอ้ความไม่มีอะไรแล้วมันยังมีมันยังดันว่ามีมันยังเอามามีโอ้โถเรียจริงๆถึงไหมครับถึงอกินไหม <c oughs> พอจะเข้าใจว่าความไม่มีเนี่ยไม่รู้จักว่าไม่มี <c oughs> เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสมัยเป็นสิท ธ, ธัตถะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายอ่านั่นแหละคล้ายกันอมน่มันโอ้โถเอ้ยมันไม่มี ก็ยังยึดเอาความไม่มีเป็นเราเป็นของเราอยู่ได้นี่มันเหลือเกินเหลือ ก, กินละนในวัฏายานะ่ยยึดไม่รู้นะมันรู้เป็นแล้วก็ยังยึดไอ้รู้เป็นเราอยู่นั่นแหละมันรู้แล้วนะแต่ยังยึดเป็นเราเองในรู้จนกระทั่งเป็นนิพพานเลยยังดันยึดนิพพานเป็นเราอยู่อกีกจบเลยการที่พ่อครูแยกเป็นสองระหว่างดับกับสว่างเนี่ยโดยแยกอากินกับในวัญญายาเป็นดับ แยกอากาศสากับวิญญาณานจาเป็นสว่างอันนี้ทำให้ชัดขึ้นเป็นประเด็นที่ชัดขึ้นเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเมื่อคุณเองนาทีนี้ก็จะขยายความไปให้มันจบในโลกนี้มีอดีตปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นอัตมาอธิบายปัจจุบันไปแล้วงั้นคุณก็ไปปัจจุบันนี่แหละคุณก็ไปยึดยึดอันใดเป็นอดีต คุณก็อนุสัยอันนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยพอยึดปุ๊บเป็นอดีตปั๊บเลยใช่ครับไม่ใช่เป็นอดีตี่เป็นตัวตนเป็นตัวตนเลยนะฮะอดีตมันก็เป็นอดีตอยู่ละครับผมแล้วคุณก็ไปยึดอดีตปั๊บมันก็เป็นตัวตนนะมันก็เป็นอัตตาขึ้นมาเลยยึดอดีตเป็นอัตตาไอยึดอดีตเป็นแตตามีจํานวนจริงครับผมใช่ไหม อดีตของคุณก็คือจําได้เท่าไร่เท่าไหรคุณก็ยึดไว้ไอ้จําไม่ได้ก็ยึดไม่ได้ล่ะไอ้จำไม่ได้มันลืมหายไปเลยหายไปจ้เลยนะไม่เหลือไม่ไม่ลับมาอีกเลยนะคุณก็ไม่มีอะไรให้คุณแหละแต่ทีนี้มันดันไม่ค่อยจะลืมอย่างนั้นหรอกมันฟังไว้น่ะฟังไว้โดยคุณไม่รู้มันนะนะมันก็อยู่ในสัญญาคุณทั้งหมดนั่นแหละอดีตแล้วมันไม่มันเป็นอะไรมันก็อยู่เข้ามาเท่านั้นนะมันอดีตนะ ถ้าคุณทำใหม่มันก็เป็นใหม่ไปเป็นอดีตใหม่ใช่ไหมทำขึ้นจากปัจจุบันก็เป็นอดีตทําึ้นปัจแต่อนาคตจิี่สิอนาคตอดีตนี่มี18เองนะอดีตนี่มี18เองแต่อนาคตที่มันมีทั้ง44อันนี้เราจะขยายความยากมากเพราะบางทีคุณจะอาตมาก็จะจะขยายความจะยากเพราะบางอย่างมันไกลเขาปั้นเขาสร้างอนาคตไว้ไกลจนกระทั้งเรา เราจินตนาการตามไม่ถึงเลยเราจินตนาการตามไม่ถึงเลยอีกสีอนาคตนีเ่เยอะมากเลยพระพุทธเจ้าเขาพยายามประมวลมาได้4ี่สี่นี่ก็ท่านก็บอกครบแล้วนะไปยึดไอ้อนาคตยังมาไม่ถึงนั่นนะ่ะเป็นนิพพานเป็นความสุขลมๆแรงๆแท้ๆเช่นยึดความสุข ได้กามกามมาสุขคลิกากามตัวเท็จคุณก็ยึดมันจังเลยกามมันเกิดในขณะมีตากระทบรูปมีหูกระทบเสียงมีจมูกกระทบกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสโผฏฐพรารมคุณก็เกิดสัมผัสอยู่ตราบใดคุณก็เกิดอาการจริงเหมือนั้นข้าจะสัมผัสแล้วมันก็ไม่มีข้าจะสัมผัสแล้ว ม, ม, ม, มันไปไหนถ้ายังมี มันก็ไปเป็นสัญญาความจำสัญญาความจำไม่ใช่ของสดไม่ใช่ของมีจริงแต่คุณมีสัญญาคุณจึงจำถ้าฟักทองมันไม่มีสัญญาเขาอาไปฟักทองมันมีสัญญาของมันเหมือนกันแต่มันไม่บำบุงเป็นเวทนาอ่ามันไม่ปรุงเป็นวิญญาณเพราะงั้นไม่ไม่มีอารมณ์เวทนาสุขเวทนามันไม่มีวิญญาณจะล่องลอยวิญญาณจะออกไปอารวาสที่ไหนไ ม, ม, มันมีแต่ในพญานาคนมนะันมันมีแต่สาระ มันมีแต่ตัวของมันมันหมดสภาว่าแห่งฟิสิกธาตุของมันเนี่ยสลายมันก็จบมันไม่กระจรออกไปจากนี้เพราะธาตุพลังงานของพีชัญญาเนี่ยมันไม่กระจรออกไปจากตัวมันเองแต่ธาตวิญญาเนี่ยมันกระจรออกไปจากตัวมันเองไอ้ตัวนี้ไม่มีความคิดฟุ้งพีชัญญญาไม่มีความคิดฟุ้ง มีแต่ความรู้ต่อเมื่อสัมผัสเอออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอามันไม่ฟีคิดฟุง้งแต่ไอ้ตัวจิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยไอ้จิตนิยามเนี่ยมันฟุ้งไปไกลทูรังขมังไปไกลมากเร็วด้วยเร็วกว่าแสงอีกเร็วมากเร็วกว่าแสงอีกไปไกลได้มากเลย ถ้ามันคิดออกนอกเอกภพนี้ได้มันออกไปนะแต่นอกเอกภพมันไม่มีให้คิดแล้วเพราะเอกภพยังไม่มีอะไรเลยจริงๆมันมีแค่เอกภพนี่แหละที่จะคิดได้นะเพราะไอ้ความคิดที่ไปไกลเนี่ยนะความคิดที่มันออกไปฟุ้งซ่านไปเรื่อยแทนที่มันจะไปจบอยู่ที่อดีตมันก็ปรุงสร้างแต่งไปได้มาก44อนาคต เพราะ44อนาคตนี่แหละไปยึดอันใดและคุณก็ถือว่าอันนั้นะเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเป็นสิ่งที่พอใจมีความสุขอยู่แค่นี้มีความสุดสุดอยู่แค่นี้สุดสุดอยู่แค่นี้เท่าที่คุณมีความรู้ความรู้นี่ภาษาไทยก็คือสุขเหมือนกันกับคำภาษาบาลี ความรู้ที่รู้กันหมดเนี่ยที่บอกว่าสุดนี่สุดมันแปลว่าอะไรพอโดดแล้วก็คือ ส, สุดตะนี่แหละสุดตะนี่ยตัวต่อมาเป็นดอนเด็กนี่แหละสุดเพราะภาษาไทยก็มาจากภาษาบาลีคำว่าสุดนี่แหละคำว่าสุดตะนี่แหละรู้เมื่อหมดรู้เมืม่อไรม Ster ันก็ไม่มีสุดตะแปลว่ารู้ไอ้ไม่รู้แล้วมันก็ไม่มีละ ไทยเราเมาแปลว่าสุดละไม่มีละสุดละจบละสุดละ เ, เพราะอะไรจะมีหรือไม่มีในโลกนี้ก็คือวิญญาณเป็นตัวหลัก <c oughs> ถ้าคุณไม่มีวิญญาณแล้วเราจะพีชะก็เป็นนัยยะหนึ่งแล้วมีชีวะที่มันแค่นั้นแหละเพราะอะไรนเกินก็จะพูดถึงไม่พูดอย่าว่าแต่แค่พีชะเลยแม้แต่แค่เป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นจิตนิยามเหมือนกันพูดก็ไม่รู้เรื่องแม้มาเป็นมนุษย์สอนได้ก็มีสอนไม่ได้ก็มีบางคนจบดอกเตอร์มาห้าบบ ย, ยังสอนไม่ได้เลยยังเป็นอเวนายสัตว์อยู่เลยจบดอกเตอร์มห้าบแล้วเอเวนายสัตว์อยู่เลยไม่รู้ยึดความรู้ตัวเองไม่มีประโตโคสะฟังอัตมาไม่ออกทาโยนิโสมนัสิการไม่เป็น ทำยังไงก็ทําไม่เป็นหรอกพวกนี้พวกอเวนัยสัตว์สัจสอนไม่ได้มีความรู้ไหมโอ้โหความรู้ถมหัวเลยความรู้ทั้งโลกมีด็อกเตอร์ตั้งสิบใบมีใครตะใครให้เยอะแยะเลยใครก็ยกจ้องมารู้รูผู้รู้ผู้รู้เป็นปราฏิเอกของโลกเป็นปราฏิเอกปราฏิเอกโอ้โหยกฟ้องกันทั่วโลกเลยแต่โยนิโศไม่เป็นทําใจในใจไม่เป็นมณสิการไม่เป็นมณสิกโรติไม่เป็น ผู้นียังอิชาทั้งนั้นนะยังอวิชาทั้งนั้นนะเพราะพวกที่หลงความรู้นี่จึงน่าสงสารยิ่งกว่าพวกดำพวกมืดพวกหลับตาเพราะพวกนี้บอกแคบจบแล้วดามืดนั่นก็จบละแต่พวกนี้บานปลายทะโลกโทกว่าโอ้ยกูรู้มากรู้มาูเยอะรูแย่แล้วจะเอาบ้านเอาเมืองก็าโลกทั้งโลกเอาเอก็พบทั้งเองกพบเลยพอทีได้มา ในหลวงเราตรัสว่าอย่าไปหลงความรู้อย่าไปหลงตำราเลยมาเอาพอเหมาะพอดีของเรานี่ทําให้มันอรุณมลวยกันสามัคคีกันพออยู่พอกินจะบอกว่าเรารวยก็ไม่ต้องรวยแล้วเราก็ไม่แช่ว่าเราจนเราก็รวยพอสมควรอย่างที่ท่านตรัสนี่สุดยอดของโพธิสัตว์ตรัสแล้วแต่คนฟังไม่ออกอาตมาก็เป็นโพธิสัตว์ด้วยก็เลยพอฟังออกเอามาขยายความสู่ฟัง คนก็มันไส้อัตมาวะนี่โอ้โหนี่ดูนี่เกาะในหลวงเกาะในหลวงเอ้าไม่เป็นไรแต่ว่าอัตมากเกาะในหลวงก็ดีก็ไปเกาะใครก็ไม่รู้อะก็พวกบาพวกบออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกาะจังเลยเพราะใครเกาะในหลวงจะดีเป็นบุญเพราะในหลวงพระองค์นี่เป็นโพธิสัตว์แต่ใครเกาะคนอื่นไม่เอาอย่างในหลวงอะไปเอาคนอื่นเป็นครูปเป็นอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือเป็นพวกบุญนอกขอบเขตพุทธอะไปเลย อขออขอขอภัยรตมาก็เป็นไล่ส่งแค่นี้ก็มนันนาไล่ส่งไหมล่ะขนาดขับออกไปนอกประเทศแล้วต่อแย่อยู่อีกเลยอ้เอาเพราะงั้นพวกที่อดีตก็ดีอนาคตก็ดียังยึดอดีตเป็นเราอนาคตเป็นเราทุกอยู่ไม่หลุดพ้นทั้งนั้น ใครถือปัจจุบันทุกปัจจุบันที่มีผัสสะเป็นนิพพานนั่นคือทิฐิหนิพพานหส่วนอดีตอีก18ก็ไปยึดสิบแปส่วนอนาคตอีก44ก็ไปยึดอนาคตส4ท่านประมวลไม่แค่ส4บอกแล้วจะไปบ้าบ้าบอได้มากกว่าสีนักในอนาคตส่วน อ, นวนอดีนมันก็จบที่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะแต่ยังบ้าเป็นหลงยึดอะไรอยู่ในระหว่างอากินจัญญายาจะนะ นั่นมันจะทํำยังไงกันอีกทําอะไรกันไม่ไหวแล้วนะส่วนพวกเนวัตสัญญานาสัญญายตนานาบานทโลกทโอกไปเลยไอ้แต่คนเขาไม่รู้เขาก็รู้ว่ะมันรู้มันเองอ่ะมันรู้กันเองอ่ะมันอยู่ในวิมานกันเองอ่ะไปด้วยกันมาด้วยกันไปมันมีแต่พวกมีพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงที่ข้อที่ว่าในพระธรรมปฐมเร่องสกข้อสี่สทุกอย่างท่านรวมลงระว่าง คำว่ามีและไม่มีเท่านั้นเองรวมลงที่คาว่ามีและไม่มีและวแจ้พยัญชนะสี่ตัวนัตถิอัตถิกับโหติกันาโหติสี่ตัวนั้นผู้ใดปฏิบัติให้มันได้ผลเรียกว่าอาัตถิได้ผลที่สมบูรณ์ขึ้นมาปับ๊บผู้นั้นมีได้ผลอะไรสิ่งที่ไม่ให้มี ไม่ให้มีสำเร็จจบกลายเป็นคนมีโหติสิ่งอะไรที่ไม่น่าให้มีมีอยู่เอาออกให้ได้คุณเอาออกไม่ได้กันนัตทินัตินัตทินัตินัิอยู่เท่าไหร่คุณก็ยังมีอยู่นั่นแหละนัติยังมีอยู่ใช่ไหมครับนัติมันไม่มีต้องเอาให้ไม่มีครับผมแต่คุณก็ยังปล่อยให้มันมีอยู่นั่นแหละครับผมคุณก็เป็นโหติที่มี ความจริงเราจะต้องเป็นคนมีและไม่มีคือหมายความว่ามีจะเป็นคนมีและไม่มีมีสิ่งที่ควรมีอ่าอาศัยอยู่อ่าอาศัยอยู่ไม่มีในสิ่งที่ไม่ควรไม่มีเช่นมีจิตที่บริสุทธิ์แต่ไม่มีกิเลสไม่มียึดไม่มีอุปทานไม่มีอุปทานในจิตฉะนั้นมีจิตแท้ๆก็ไม่ยึด แต่ไม่มีกิเลสเข้ามาผสมอยู่ในจิตใช่มีจิตแท้ๆก็ไม่ยึดมีจิตหมดแล้วสะอาดหมดแล้วเป็นจิตรูปก็สะอาดเวทนาสะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดวิญญาณสะอาดหมดแล้วไม่ยึดแล้วก็ยังกิลมัฏฐยังเป็นอัตตาที่จะต้องถืออยู่คนที่อัตต ก, กิลมัฏแล้วเนี่ยไม่มีอัตต ก, กิลมไม่มีอัตตาทัไม่มีอัตตาทัศสุขแล้วไม่มีสุขด้วยอัตตาแล้ว อัตถะทัสุเปสุโดยอัตตาท่านไม่มีแล้แต่ท่านยังมีอัตตะกิรลมทัทถะเพราะเพราะว่าขันห้านี่ยังเป็นตัวอัตตาที่เป็นพ า, พาราหาเวปัญจักขันธาขันท่้งาเนี่ยังเป็นภาระปวดขี้ไม่ต้องไปขี้ให้มันทุกไหมปวดเยี่ยวไม่ต้องไปเยี่ยวให้มันทุกไหม เป็นอาหารรับปรยิยัติทิฐทุกทุกที่เลี่ยงไม่ได้เป็นนิพพตทุกทุกต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นทุกที่เลี่ยงไม่ได้หรือแม้แต่ทุกต้องรับวิบากวิปากะทุกวิปากมูลและกระทุกวิบากเก่าจะเป็นมูลเข้าที่คุณมีมาแต่ไหนแต่ไรมันตามมาทันพระพุทธเจ้า ก, ก็เลี่ยงไม่ได้ อยางทุกจะไปี้ข้าน้องชายจองกระตั้งให้เศษเหลือให้โทษให้เทวทัตมาคลิ้งหินทัพประบาดครับนั่นแหละเออหมายถึงเพราะครูกําลังหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระมคลาพระพุทธเจ้านะครับเออทีไปี้ข้าน้องชายทุกต้องตายตายแล้วก็เลยเศษบาปนั้นยังเหลืออยู่แม่กระตั้งสุด้ายให้เทวทัตมาคลิ้งหินทัพประบาดห่อเลือดก็ทุก นัสด่นั้นแสดงว่าผมสับสนผมไปนึกถึงพระโมคคานะเอาโอโอขอบพุณเจ้าโมคคารนาโคลโองค์ครับผมครับขอบคุณฮะขอบคุณเอาละเดี๋ยวอาตมาก็จะสรุปลงว่าวันนี้อาตมาพูดล้าอย่างที่เป็นเรื่องที่คิดยากคิดไม่ได้ไง่ายๆเป็นอาจินไตแต่ก็เอามาขยายความโดยอาศัยพยัญชนะอาศัยตำนานอาศัยเรื่องราวเก่าบ้างแล้วก็ขยายความในเหตุด้วยปัจจัยต่างๆ ให้พอที่จะรับได้รู้ได้เข้าใจได้บ้างก็คงได้พอสมควรเนา ะ, ะก็สรุปลงอีกทีว่าคนเรายังยึดมั่นถือมั่นในอดีต18ปอนาคต4ีสิบสีแล้วก็ปัจจุบันห้า <5 S 2> เป็นห2สิบสองสิ่งนี่แหละเป็นเราเพราะฉะนั้นคุณต้องล้างอดีตที่มันชั่วให้หมดแล้วคุณก็ทำได้ เคยทำเป็นอดีตอะไรคุณก็ลางแล้วต่อไปนี้ไม่ทำแล้วอย่างอดีต ท, ที่เคยทำคุณก็ทำได้เสร็จคุณก็ไม่มีแล้วอดีตเหลือแต่อดีตเก่าเพราะงั้นในปัจจุบันกลับไปถึงอนาคตคุณจะไม่เกิดกรรมกิริยาที่มันเป็นสัพพปาปัสสะอาการะนังเพรา ะ, ะ น, นบาปทั้งปวงที่จะเกิดจากกิริยาใหม่กรรมใหม่ที่จะเกิดตั้งแต่คุณตัดสรูเป็นอรหันต์แล้วไม่มีอีก แต่ทําดีนะกุศล ส, สู้ระสมัทธาคุณจะทําดีอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดหรอกทํากุศลไม่สิ้นแต่บาปไม่ทําบุญก็จบเพราะบุญชําระกิเลสหมดแล้วเป็นผู้ปุญญะปาปวาริคิโนนาะบาบุญสิ้นบมดแล้วไม่มีบาปไม่มีบุญละไม่ต้องมีบาปจบกิจละ จากนั้นไปปัจจุบันและอนาคตของผู้นี้จึงไม่มีบาปอีกไม่มีกิเลสอีกแล้วแต่อดีตมันตามอยู่มันจะต้องออกผลสร้างกุศลไปเป็นผนังกั้นไปเป็นเขื่อนกั้นป่อยสร้างกันไปเพราะฉะนั้นผู้ไม่หยุดกุศลผนังกั้นก็ถอยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบาปมันจะนํามาได้ยังไงตามไม่ทันง่ายๆขนาดนั้นมันยังมาเลยมันยังมาได้อยู่นะมันยัง น้อยเล็ดลอดมานี่ๆๆตามแต่บารมีใครบารมีมันเห็นไหมอ่าเพราะงั้นทำไม่เล่นไปนฟังดีๆเราจะเข้าใจชัดสรุปแล้วทั้งอดีตและอนาคตนั้นอะอนาคตยิ่งมีสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาเลยอย่าไปหลงคาลมคนปั้นวิมานมาหลอกอะไรกันนะมันยิ่งรู้มากมันยิ่งปั้นมากมากๆๆ อดีตเก่านี้ก็มาเรียนรู้ที่มันเคยเป็นเคยมีแล้วก็ติดก็ยึดอยู่เนี่ยล้างให้มันหยุดเถอะหยุดได้แล้วเนี่ยอนาคตคุณจะพอที่รู้ทันแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหอนาคตนี่มันบานทโลกโทกเว้ยยังไม่หลงมันเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไม่หลงในอนาคตจะไม่หลงอีกโลกที่มันจะมาล่อไปอีกมีแต่จะหันมาอยู่กับอดีตเยอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอดีตนี่ว่าก็ยังติดอยู่นะอดีตก็ตกามาล้างกิเลสตอนนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ไอ้ที่เคยยึดถืออย่างอดีตเนี่ยหยุดไปหยุดไปหยุดไปหยุดไปจนหมดเกลี้ยงไอ้ที่เคยทำมาแล้วน่แล้วไปมันแล้วไปแล้วมันเป็นวิบากแล้วก็ต้องตามต้องต้อ ง, องหาทางที่จะกั้นมันก็ต้องทำกุศลกันกันกันกันกันกันกันกันกันกันไปเรื่อยๆขนาดนั้นยังชะลอไม่ได้เลยชะลอปั๊บมันมา <c oughs> นะเพราะงั้นก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดในกุศลนะนะอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายคุณก็ไม่เข้าใจผิดในนิพพานห้าเพราะเมื่อคุณไม่มีนิพพานหาคุณไม่เป็นสุขพกกาไม่มีสุขพะฌานทั้งสี่ไม่มีละก็เป็นเครื่องอาศัยฌานทั้งสี่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจะไม่มีนิวรนากบมีได้ จะไม่ลหลงไหลปีติก็ทำได้ไม่ลหลงไหลสุขก็ทำได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุเบกขาแต่อุเบกขาเป็นฐานอาศัยใช้อาศัยก็จะมีคุณสมบัติ5ปฏริสุทธาประโยชธาตามุทุกรรมัญญาปภัสราเท่านั้นแอนเท่านั้นเท่านั้นแหละอาศัยอาศัยความบริสุทธิ์ประโยชาตาก็คือความบริสุทธิ์อันทนต่อโลกี คุณจะมีความบริสุทธิ์นี้ไปทำงานอยู่กับโลกีอีกเท่าไรเท่าไรมันก็ยังประพัฒสราเพราะนั้นท่านถึงแปลปรูปรปโยธาตาว่าผ่องแผ้วหรือผุดธผ่องสะอาดนี่เองขาวรอบนี่เองปรโยธาตาก็ายังขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นอย่างเดิมจะพบกับขี้โครนส ก, กปรกเครื่องเลอะเทอะขนาดไหนมันก็ยังบริสุทธาตัวปโยทาตานี่ ทนต่อการสัมผัสของโลกได้เสมอๆ อ, อยู่เลยมุทุจิตของคุณมันเรียกอัตมาเรียกว่าจิตหัวอ่อนมันไวมากในรู้เร็วรู้ทันเร็วแล้วก็สลัดเร็วด้วยแต่ปุ๊บปุ๊ลุดปั๊บ ป, ปั๊บปั๊บปั๊ บ, บมุทุพุทธธาตุธาตุที่เร็วไวมากเลยทั้งรู้ทันเร็วทั้งดัดปรับเปลี่ยนไม่ให้มีได้เร็วแต่ปุ๊บตัดปับ๊บเป็นตถตา เป็นเช น, นั้นเองอัตโนมัติปุ๊บไม่ต้องทําุปุ๊บ ป, บปบุแต่มีนะสัมผัสได้นะแต่สัมผัสแล้วไม่ติดสัมผัสแล้วไม่ดูดสัมผัสแล้วไม่ซึมสัมผัสแล้วไม่ไม่มีอะไรเอามาเป็นเราเลยว่างสัผัสเฉยเฉยสัมผัสแล้วมันก็หลุกกระดุกเองสัเนี่ยว่ามูทุพูตธาตุจึงเอาธาตุตัวที่เก่งต่อโลกนี้ไปทํางานเป็นกรรมนิมนยาไอ้กรรมนกรรมยาตากรัญยะ เว่าทำงานด้วยอัญญากรรมัญญากรรมะัญญอัญญะที่อธิบายไปแล้วัญญาสิวัตโกคนัญญอัญญาทำงานด้วยอัญญากรรมัญญาช่วยโลกพระผูชนะหิตายาผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปัญญาอยู่ต่อไปทั้งสี่เลยปณิสุทตาบริโยธาตาโมทุกกรรมัญญาก็ปภัสราก็สดใสผ่องแผ้ว โทษช่วงชัชวัลอยู่เหมียนเดิมไม่มีอะไรด่างพราอยไม่มีอะไรเปื้อนเลยนี่คือคุณสมบัติห้าของอุเบกขาผู้ที่พระอรหันต์ก็อาศัยอัตตาอาศัยอันนี้เป็นอรหัตตาคือเป็นอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วรู้แจง้งแทงตลอดและปฏิบัติกับมันได้อย่างดีที่สุดนี่คืออรหันต์หรืออรหั ต, ตผล ทัง่อยู่กับปัจจุบันด้วยความเป็นกามอยู่ด้วยความเป็นฌาน ไ, ไ, ไม่มีอบายไม่มีอบายไม่มีอบายใดๆนี่คือสุดท้ายจุดจบของชีวิตยอยู่กับนิพพานหาโดยไม่เสพติดนิพพานเลยไม่ว่าจะเป็นกามหรือฌานมีกามก็สัมผัสรู้อยู่แต่ไม่เสพไม่ซึมไม่ซับไม่ดูด ชานก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่แล้วใช้ชานเป็นด้วยนี่จะให้มีขานาดพิตกวิจารณ์ที่อาตมาทำขนาดนี้ปรุงแต่งพิตกวิจารณ์เยอะนะแต่เชื่อไหมว่าอาตมาปิติสุขที่มันเป็นสุขอันสงบอีกละเอียดยิบเลยเนี่ยอาตมามีเป็นเรียกว่าภ า, ารณามีแค่ภารมีแต่ีติเท่านั้น ไม่มีอุเพลงคาปิติอาศัยเป็นโอกโอกรณิกาปิติบ้างอาศัยเป็นคณิกาปิติบ้างไม่มีโอกรณิกาที่เป็นการปิติแรงปิติซึ่จะหลงดูหลงดึงไม่มีไม่มีมีคณิกาปิตินะปิติในขณะนี้นะในขณะนี้และไม่จับให้เป็นก้อนนะเรียกว่าอะไรโอกรณิกาคณิกาปิติแล้วก็ ก่อนอกอก่อนอุอเพงคาโอกันติกาครับไม่มีโอกันติกาปิติไม่มีมันมีคณิกาปิติขณะนี้มีอกันติกาจับมาเป็นก้อนนิดหน่อยครับมันมีคุถักาปิติปิติเล็กน้อยคณิกาปิติปิติชั่วขนาดครับคณิกาปิติปิติชั่วขณะแล้วอกันติกาปิติปิติเป็นพักๆอุเพงคาปิติคือปิติโลดลอยปรณาปิติคือปิติาสัานอ อาจะมามีพรรณนาปิติและก็มีคณิกะปิติคุตกาปิติเท่านั้นอยู่ช่วงขณะนี้เท่า น, นั้นเองแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละครั้งนี่เป็นคุตกาแต่ละเวลานี่เป็นคณิกะนิดนึงช่วงระยะนี้แหละหมดระยะนี้ก็จบนะและก็เป็นตัวตนขณะนี้คือคุตกา <c oughs> ไม่ปิติคือความปราบปลืม <c oughs> ม้มงลงอิ่มใจในฌาน ม <c oughs> ีได้ห้าอาการดา <c oughs> งที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกกันติกาไม่มีอุเพงคาอกกันติกานี่จับตัวเป็นก้อนครับ <c oughs> อุเพงคาเนี่โอ้โหลอโลดลยลดพลึกพิลือเลยต้องมาก <c oughs> มายเมื่ออย่างที่ปลุกเล่าก็ไปติดยึดในเกมกีฬาอาบายามุกอาบายามุกหรือว่าบันเทิงเดินลมนี่โอ้โหนี่ซับซ้ําใจให้มัน ติดยึดในความสนุกเพลิดเพลินเพลิดเพลินในกีฬาเพลิดเพลินในการลเล่นเพลิดเพลินในบันเทิงเริงรมเนี่ยยําอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสุดท้ายก็เป็นออเป็นอุเพงคาพิติครับไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็เศร้าง่อยเงาเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นโรคซึมเศร้ากันเพราะเหตุว่าคุณไม่มีมปิติพอเพียงคุณยึดมากไปหาปิติไม่ได้สมใจคุณก็เลยซึมเศร้า นี่เป็นโรคกันเลวร้ายมากจากกิเลสที่คุณไม่ได้สมใจโอ้ยมันจะยาวเกินไปครับอ่บาเพราะงั้นสรุปแล้วหปัจจุบันนี้คุณเข้าใจมันหมดอรหัตตาคุณไม่ลึกลับกับมันเลยคุณอาศัยมันได้กามก็มีแต่คุณไม่เสพฌานคุณมีคุณอาศัยมันใช้ประโยชน์เพราะงะั้นอ น, อนุโลมเป็นเป็นฌานหนึ่งฌานสองทงานได้ฌานสามฌานสี่คุณอาศัย มันอาจจะมีความสุขมันอาจจะมีอุเบกขาสุขกลึ่ ม, มนิดๆ น, น่ ะ, อะขอหน่อยเฮยนิดเดียวนอก น, นั้นก็เฉยเฉยอุเบกขาเพราะฉะนั้นขรารวิตรงวิจารณาปิติปิติมันแรงนะอย่างแรงไม่เอา้าอย่างนี้มากไปไปเดี๋ยวดึงไม่อยู่ไเดี๋ยวดึงไม่อยู่ปล่อยไม่ได้เลงใจเดี๋ยวลาบากแค่สุขก็อุเบกขาแค่นั้นนะ่ะพอแล้วเพราะอาตมาแสดงทำอย่างเป็นสุข กับอุเบกขาเท่านั้นเอาละเลยเวลาแล้วสรุปรตั้งตงที่เวลาไม่มีครับติ๊กเดียวที่พาอครูพูดเมื่อกี้เนี่ยมีคนบอกมาว่าจริงๆแล้วดาราคนนั้นคือโกตีกครับพาอครูเหมือนจะเรียกโกตอีอ๋อเลยครับผม อ, อันนี้มีผู้ส่งประเด็นมาโตลงเป็นโกไม่ใช่โกประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าอดีต18อนาคต44ปัจจุบันหเนี่ย เรานำมาสู่การอธิบายแบบง่ายๆแบบนี้ดีไหมว่าคนที่แบกอดีตเนี่ยแบกสิบแปดกิโลกรัมคนที่แบกอนาคตเนี่ยแบกสี่สิสี่กิโลกรัมโอ้ชัดชัดแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแค่ห้ากิโลกรัมแค่นั้นเองงั้นเออตกลงเนี่ขออภัยนะแต่ขอพูดาพาดพิงตกลงพระป่านี่แบกสิบแปดกิโลกรัมพระบ้านอย่างธรรมกายในแบกสี่สิบสี่กิโลกรัมครับผม แต่พวกใครไม่อยู่ในสองพักนี้นะอยู่ในภาคตนเองแบกห้ากิโลกรัมแบกหกิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับปัจจุบันนี่จะเบาที่สุดอยู่กับอนาคตนี่หนักที่สุดอยู่กับอดีตนี่จะหนักรองลงมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือคําอธิบายที่พ่ะครูได้อธิบายแล้วเราก็นํามาคิดต่อวันนี้คําว่าสุขคือสุกกะตอนแรกเราไปเข้าใจสุขในภาษาไทยคือสุกกอไก่สะกด แต่พ่อครูอธิบายสุขะกับสุขะสมัยเด็กๆเริ่มมาฟังธรรมะพ่อครูใหม่พ่อครูอธิบายว่าสุขะสอเสือสรูขอไข่เนี่ยจริงๆแยกเป็นสุบวกขะขะเนี่ยแปลว่าว่างสุขกะก็คือว่างนลัลดีอันนี้คือสุขอ่าโดยจะเป็นความสุขในระดับสูงส่วนความรู้เกี่ยวกับเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย เป็นซากหรือเป็นสิ่งที่ตายแล้วคือหมายความว่าไม่มีชีวิตคนที่หลงอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังคือคนที่หลงอยู่กับสิ่งที่ตายแล้วไม่มีชีวิตแต่ประการใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ะครัวอธิบายมาเนี่ยหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เรารู้มาแล้วบ้างแต่ไม่ชัดก็ชัดขึ้นหรือบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็รู้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นเรื่องอดีต อนาคตปัจจุบันเนี่ยอันนี้น่าจะทำให้พวกเราเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สามแนวอะไม่ว่าจะเป็นแนวมืดแนวสว่างหรือแนวที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้หลงรู้เป็นต้นเราได้รับรู้เลยทีเดียวว่าอะไรก็ตา ม, มานะที่ยึดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งสิน้นเว้นแต่เพียงแค่อาศัย อาศัยเนี่ยถ้าอาศัยเนี่ยแม้จะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แค่อาศัยเพื่อทำประโยชน์ไม่ใช่เป็นทุกข์เพื่อที่จะนะอาศัยเป็นทุกข์สืบต่อไป ย, ยิ่งขึ้นต่อไปกุศลเนี่ยเป็นตัวขั้นมิใช่เป็นตัวล้างบุญเนี่ยเป็นตัวล้างนะกุศลเนี่ยจะช่วยกั้นวิบากให้ได้ไล่ไม่ทันแต่ถ้าหยุดกุศลเนี่ยเดย ว, วิบากก็จะมานะ เพราะฉะนั้นพรอครูบอกว่าชะลอเมื่อไรเนี่ยมันจะมาทันทีคําของพ่อครูช่างสอดคล้องกับคําตรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าอภิษฐะเรทกัลยาเนป่าป่าจิตตังนิวาเรเยทันทังหิกระโตปุญญะป่าปสมิงรมติมโนที่แปลว่าพึงรีบเร่งกระทําความดีและพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อเรากระทาความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่ว ที่พ่ะครูบอกว่าถ้าหยุดเมื่อไรหรือชะลอเมื่อไรเนี่ยมันก็จะตามมาทันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความดีช้าไปเนี่ยใจก็จะยินดีในความชั่วคือความชั่วมันจะเข้ามาเพียงแค่ทําความดีช้าเนี่ยไม่ใช่แค่ดีช้านะแต่ใจจะไปยินดีในความชั่วดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรอครูได้อธิบายมาแม้ที่สุดเนี่ยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องฌา น, นบอกว่าพ่ะครูอาศัยสุข เอกะสกับอุเบกขาเอกคตาอะไรตะะไร่ะๆประมาณนี้เป็นต้นส่วนปิติเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้แรงคนพยายามแสวงหาความสุขจากปิติมากๆเนี่ยสุดท้ายพอไม่ได้ปิติสมใจใจเหี่ยวและจะทุกข์ที่คนฆ่าตัวตายกันเยอะเนี่ยเพราะว่าคนติดสุขหรือแสวงหาสุขกันมากแล้วก็เสพรสแห่งความสุขแบบแรงๆจนถึงขั้นอุเพงกาปิติเนี่ยมากแต่พอไม่ได้ตามนั้นก็จะมีความรู้สึกขาด เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยต้องการอารมณ์รงแรงต้องการความรู้สึกแรงๆพอไม่ได้ก็จะมีความรู้สึกเศร้าซึมและนำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะนั้นเป็นความรู้ที่ที่กราบขอบพระคุณพาะครูที่อธิบายนะิมิตการด้วยความกรุบรับพรอครูครับกราบขอบคุณหมู่สงจเจริญธรรมสิขมาดเฉพาะอย่างยิ่งสิขมาดสัตชิสัา สัจจิกตาซึ่งได้ชื่อจากพรอครูสมณพทิรักษ์วันนี้สัจจิกตาคือสิคมาจินดาเนี่ยพ่อครูบอกว่าแจ้งแล้วสัจจิกตาแปลว่าแจ้งแล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่ไม่ไม่ยินดีกับชื่อแจ้งแล้วก็เอาชื่อสัจจิกตาไปก็รับรู้รับทราบเพื่อขอบคุณพรอครูที่กรุณาให้สัจจิกตาแก่กระผมะคือหมายความว่าให้ความแจ้งแล้ว ในระดับหนึ่งแกกระผมและเข้าใจว่าพวกเราคงจะเข้าถึงสัจจิกตาหรือเข้าถึงซึ่งความแจ้งแล้วกันมากบ้างน้อยบ้างตามแต่สติปัญญาของตนของตนสืบต่อไปพุทโธธรรมโมสังโฆเออทำไมนี่มัน18 บ, บวก บ, บ, บ, บวกหเป็น67มันไม่ใช่62สิ เพราะครูองใหมายถึงทิที่ิ62